<Okay. S 2> คุณสามารถเป็นประธานชุมรมธรรมปฏิบัติธรรมะฮะยินดีตอนรับกุ้งขอบคุณคนะ okay. รับพรเจ้าว่าไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีกว่าธรรมะควจะยินดีมากที่สุดก็คือธรรมแล้วธรรมเป็นสิ่งที่กระเสริฐที่เสริฐสำหรับจิตใจของพวกเราสิ่งอื่นในโลกนี้ไม่มีคุณค่าอะไรกับจิตใจ เพราะช่วยจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ในแต่ธรรมะทนั้นที่จะปดเครื่องทําให้เราหลุดพ้นทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ไม่ว่าความทุกข์ชนิดใดทั้งสิ้นไม่สามารถทำใ้เหยียดย่ำจิตใจของเราได้เลยถ้าเรามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนของเราพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นถึงราชโอรส มีสมบัติเงินทองเข้าของมากมายแต่ทรงมีข้อปัญญาที่มองเห็นทะลุว่าสมบัติต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจไนดะ้ยิ่งมีมากกับมีความวุ่นวายใจมากขึ้นไปทรงเห็นว่าทางเดียวที่จะพบกับความหรือท้นจากความทุกข์ก็คือต้องต้องสละต้องปล่อยวาง ต้องไม่อาศัยไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เนื่องจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ร้วนเป็นสิ่งที่ไม่ทิ้ยงแท้แน่นอนเมื่อสิ่งที่เราพึ่งพาอาศัยไม่ไมเท่งแท้แน่นอนมันก็จะต้องทำให้เราผิดหวังสักวันวันนี้เราอาศัยเขาอยู่ได้แต่พอพรุ่งนี้เกิดเราอาศัยเขาไม่ได้แล้วแล้วเราจะไปอาศัยใคร พระเจ้าจึงทรงหาวิธีที่จะอยู่โดยที่ไม่ต้องอาศัยอะไรต่างๆในโลกนี้ก็พยายามศึกษาค้นคว้าไปตามสำนักต่างๆเริ่มต้นก็ทราบว่าต้องเป็นนักบวชต้องอยู่แบบสมะถะเรียบงา่ายไม่อาศัยวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆภายนอกอาศัยเพียงพอที่จะให้ร่างกายอยู่ไปได้วันๆหนึ่งเพราะร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ ต้องอาศัยวัตถุคือปัจจัยสี่ถึงจะอยู่ได้แต่ร่างกายนี้ไม่ใช่จิตใจร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละส่วนกันเป็นองค์ประกอบของชีวิตของพวกเราคือเรามีทั้งกายเรามีทั้งใจกายนี้เราทุกคนสามารถดูแลกันได้เรามีปัจจัยสี่ร่างกายก็อยู่ภายใต้ตามอัถภาพของมัน จนถึงเวลาที่มันไม่สามารถอยู่ต่อไปได้มันก็ต้องหยุดการทํางาน ห, หยุดหายใจเมื่อหยุดหายใจร่างกายก็ถือว่าจบแต่ใจนี่มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นอยู่อย่างนั้นคือเป็นาธาตุรู้เป็นตัวรู้เป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกาย ร่างกายนี้เป็นเพียงบ่าวเป็นลูกน้องเป็นสมุนเป็นเครื่องมือของใจใจอาศัยร่างกายให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยอำนาจของอวิชชาคือความหลงหรือความไม่รู้คิดว่าการมีร่างกายแล้วจะทำให้ใจมีความสุขใจเลยไปหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือ เพื่อจะได้พาไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณต่างๆแล้วก็เมื่อได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณที่ชอบออกชอบใจก็มีความสุขขึ้นมาแต่ก็ไปเจอปัญหาตรงที่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลภัณมันไม่ได้เป็นเป็นสิ่งที่ชอบอย่างเดียวสิ่งที่ไม่ชอบเป็นส่วนที่ไม่ชอบก็มีอยู่พอไปเจอส่วนที่ไม่ชอบก็เกิดความ ทุกใจเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานี่คือเรื่องของกายกับใจของเรากายของเรานั้นเราก็มีปัจจัยสี่ใจของเรานี้จำต้องมีธรรมะถ้าจะมีความสุขได้ต้องมีธรรมะเพราะว่าธรรมะนี้เปรียบเหมือนปัจจัยสีของกายเป็นอาหารมีธรรมะแล้วจะมีความอิ่มเอิบใจมีความ ปลอดภัยมีความมั่นคงคือไม่ไม่หวั่นไหวกับภัยธราที่จะเข้ามาเหยียบย่ทาทาลายจิตใจเหมือนกับเรามีบ้านเราก็ไม่หวั่นไหวกับฝนฟ้าแดดฝนจะตกแดบจะออกอย่างไงเราอยู่ในบ้านก็ปลอดภัยถ้าเรามีธรรมะก็เหมือนกับมีเรือนใจธรรมะเป็นทั้งยารักษาโรคใจด้วย ใจเราก็มียารับประทานจก็ต้องอาศัยธรรมโอสถโลกของใจก็เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจนี้แหถ้ามีธรรมโอสถอยู่ในใจก็จะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องออกสแสวงหาธรรมเพื่อจะได้ปัจจัยสี่มาดูแลรักษาใจส่วนปัจจัยสี่ของร่างกายก็ เอา เ, อ า, เอาตามอัตภาพไม่จำเป็นจะต้องหรูหราไม่จาเป็นจะต้องวิเศษวิโสอย่างไรอาหารเหมือนกันหมดไม่ว่าสถานจะราคาเท่าไหร่ถ้ารับประทานเข้าไปแล้วทำให้อิ่มท้องไมวเจ็บท้ายได้ปวดก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันอาหารขายตามข้างถนนอาหารที่ขายในร้านอาหารหรูหรารับประทานเข้าไปก็ได้ผลเท่ากัน เพื่อทําให้ร่างกายมีความอิ่อยู่ได้ดังนั้นเรื่องปัจจัยสี่ของนักบวชจึงไม่ค่อยได้ไปพิธีพิถันเหมือนกับทางคาลว่าเพรานักบวชท่านมีปัญญาท่านรู้ว่าอะไรคือความเหมาะสมความพอประมาณ <c oughs> แต่คาลว่าเนื่องจากถูกอํนนานาจของกิเลสตัณหาครอบงำอยู่มากจึงไม่รู้จักความพอประมาณในปัจจัยสี่นักจะหลงยึดติดกับความยุ่งเหรอความฟุ้งเฟ้อ ของตัจจัย4บ้านนี้ต้องราคาสักสิบล้านถึงจะอยู่ได้ของต่างๆต้องมีราคาแพงๆเสื้อผ้าแทนที่จะซื้อชุดละสองสามร้อต้องเป็นชุดละ2 3,000 ขึ้นไปโดยที่ไม่เคยใช้ปัญญาคิดแล้วใส่ไปเพืออะไรความจริงร่างกายสื้อผ้าก็มีว่เกีิงปกปิดอวัยวะร่างกายป้องกันแดดป้องกันฝนป้องกันอากาศเย็น ป้องกันมดแมลงต่างๆที่จะมากัดทท้งนั้นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างการใช้ปัจจัยสีของทลราวากับของนักบวชเพราะนักบวชนี้มีสติปัญญาระดับที่สูงกว่าทาราวานักบวชไม่ได้หวังความสุขจากปัจจัยสีทางร่างกายนักบวชวุ่งไปที่ปัจจัยสี่ของจิตใจคือธรรมะ ทำอย่างไรจะอยู่อย่างนิ่มนิ่เงีนเป็นสุขไม่วุ่นวายไม่ทุกกับเรื่องอะไรส่วนหนึ่งก็กาจากการมีแบบสมถะนี้เองถ้าอยู่แบบสมถะ เ, เรียบง่ายความกดดันที่จะต้องผลักดันให้ใจไปหาปัจจัยสีราค า, าแพงๆมาก็หมดไปไม่มีความกดดันอยู่ได้เรียบง่ายคนที่ต้องใช้ของแพงแพงนี้ลําบากก็ะจะต้องคอย ไปทำมาทำมาหากินหาเงินหาทองมาซื้อของแผงแผงใ้แล้วก็ติดเป็นนิสัยถ้าไม่ได้ใช้ของแผงแพงแล้วจะเกิดความเศร้าสร้สอยหนุ่ยเหงาเกิดความทุกข์ทางหน้าจิตใจขึ้นแต่คนที่เคยใช้อยู่แบบเรียบง่ายมีอะไรตามมีตามเกิดก็จะไม่ต้องมีภาระกดดันเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสิ บางครั้งอาจจะต้องอดอาหารเป็นข้างเป็นคาบหรือด้วยซ้ำเพราะบางทีอาจจะไม่มีคนใส่บาตหรืออาจจะมีแต่ข้าเปล่าไม่มีไม่มีกับข้าวแต่นักบวชก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอะไรเพราะนักบวนั้นมีสิ่งที่ดีกว่าคอยคุ้มครองใจคือถึงแม้จะไม่ได้ของถูกปาก ถกใจรับประทานแต่ใจไม่ได้ไปว่าวุ่นขุวนวอเขมรเนืน่องจากได้รับการฝึกฝนอบรมให้ให้อยู่แบบเรียบง่ายคือให้ตัดตัณหาความอยา ก, กต่างๆให้เบาบางลงไปเมื่อไม่มีตัณหาแล้วความทุกข์ก็ไมีปัญหาญความทุกข์ที่เกิดความทุกข์ใจนี้มันเกิดจากตัณหาความอยากของเราตัางหากยิ่งจู้จี้จุกจิกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้น ต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นอย่างนี้มันเป็นการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาทำลายตัวเองมาผูกมัดมามาทิ่มแทงเอาความทุกข์มาทิ่มแทงใจของตนเองด้วยเงื่อนไขต่างๆการ่ารวะจะไม่มีสติปัญญามองทะลุถึงความทุกข์ใจได้เพราะถูกความหลงหลอกให้มองแต่ความสุขที่จะได้จากความต้องการตามความต้องการข้งตน เพรเวลาได้อะไรมาแล้วจะดีออกดีใจรอยเหมือนขึ้นเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์แต่หารูไ้ไหมว่าเดี๋ยวเดียวทั้งนั้นก็จะตกลงมาสู่นรกอีกแล้วเพราะสิ่งที่ได้มานะั้นมันไม่จีรยาท้าวอนมันไม่ได้ให้ความสุขยาวนานได้อะมามาใหม่ๆก็ดีใจเรื่องฉลองกันเสร็จ แ, แล้วก็ความอยากใหม่มันก็โผล่แทนขึ้นมาเช่นได้รับเลือขนขั้นกันก็ฉลองกันไปอยู่สักพักหนึ่งแล้วทีนี้ก็จ้องไปดูท่านต่อไป ที่จะต้องก้าวขึ้นไปอีกทีนี้ก็ต้องตะกี้ตะกายวิ่งเต้นเล่นรนหาหาทางที่จะให้ได้ขั้นต่อไปนี่คือความทุกข์อีกอย่างที่คารวะมองไม่เห็นกันแต่นักหวชนักบูชจะเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากทะยอทะยานอยากดังนั้นทุทธีชีวิตของนักบวชของคารวะจึงจึงเป็นเหมือนค้ากับดิน คารวะอยู่แบบอยู่บนสวรรค์เพื่อกินอยู่อย่างอย่างอย่างสุขอย่างสบายอย่า ง, อ ย, างอย่างเป็นความความต้องการตามความต้องการของตนแต่นักบวชอยู่ตามนี้ามเกิดอยากกิตใจของคารวะนั้นกลับอยู่ในนรกเพราะรุ่มน้อนกับความอยากความวุ่นวายต่างๆความเสียใจความผิดหวังที่เกิดจากการไม่ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ จิตใจของนักบวชกลับอยู่บนสวรรค์เพราะว่าจิตใจไม่ได้วุ่นวายไม่ได้วุ่นวอนไปกับสิ่งต่างๆเพราะยินดีตามมีทางเกิดยินดีตามมากตาม น, อน้อยได้มามากได้มา น, อน้อยก็พอใจได้อะไรมาก็พอใจนี่คือเรื่องของใจที่พวกคารวาจะไม่ค่อยเข้าใจกันเท่า เพราขาดการศึกษารับเรียนขาดการได้ยินได้ฟังจากผู้รู้ก็เลยสองอยู่ในวงอยู่ในสังคมของคนหลงด้วยกันของคนตาบอดด้วยกันของคนที่ชอบสิ่งเดียวกันก็เลยเป็นเครื่องยุ่ยยยย่ว ย, ย, ย, ยุ ก, กันให้แข่งขันกันไปในทางทําลายตัวเองในทางสร้างความทุกข์ให้กับตนเองในการพยายามสะสมราบยศสำหับสิ้งสุด ให้มากเพราะใครมีมากก็จะได้รับกาสรสรนเสน่เงียนยอยกย่องว่าเป็นคนเก่งเป็นคนวิเศษแต่หารู้ไหมว่าใจาของคนที่ได้รับการยกย่องนั้นเหมือนกัำลัาอยู่ในนรกไม่มีความสงบไม่มีความสุขไม่มีความมาั่นคงเหมือนคนที่คนที่ปีนขึ้นบนหลังสือแล้วกลัวจะตกลงมาคนยิ่งมีตำแหน่งสูงสูงแล้วกลัวจะ กลจะสูญเสียตำแหน่งั่ไปย่มมีความไม่มั่นมนคงไม่มีความมั่นใจในตัวเอง <c oughs> ยกเว้นคนที่มีธรรมะจำกับไปด้วยเท่านั้นที่มีปัญญาพอมองเห็นถึงความไม่เที่ยงของลาบยศสรรเสนิญศึกว่าได้อะไรมาสักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมไปจะเลิศลาบก็มีการเสื่อมลาบจะเลิศยศก็มีการเสืยย่อยศมีสรรเสริญ ก็มีนิทานททนได้ดีนะมีเสียงประกอบด้วยปิดได้แค่ปิดเป็นเป็นธรรมะที่ที่ทำสมัง้มีมีสงแล้สงก็มีนินทามีสุขก็มีทุกถ้าคนมีปัญญาอย่างนี้นาจะไม่ ไม่หวุนหวายจะไม่จะไม่ไม่ทุกข์มากแล้วยอมรับได้กับสาภาพเมื่อเมื่อถึงเวลาเส่สูญเสียทรัพย์สมบัติเงินทองก็ไม่ร้องผผงเพราะรู้เรื่องหน้าอยู่แล้วลว่ามันต้องไปเมื่อหมดห ม, ดมลที่จะอยู่ในตำแหนนะ่งนั้นก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจอะไรพรรู้ว่าเป็นสมบัติผัดกันชมเป็นเหมือนการเล่นเก้าอี้โดนตีแล้วเรื่อง ธรรมะเสรนินทางก็เช่นเดียวกันเป็นปากของคนเราไปบังคับควบคุมปากของคนอื่นไม่ได้คนอื่นก็จะพูดดีก็ได้ก็จะพูดเละร้ายกระด้แต่เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราไม่ให้ไปหลงยินดีไปเสียใจกับคําพูดของเขาก็ทำนั่นเองเอก็ปล่อยให้พูดไปอยากจะพูดอะไรก็พูดไปถ้าเราไม่ได้ไป ติดยึดติดกับคําพูดของเขาแล้วคําพูดของเขาก็ไม่มีความหมายไม่มีน้นําหนักสำหรับาแล้วสุขกับทุ ก, ก็เช่นเดียวกันเราอยู่ในโลกที่มีความสุขกับความทุกข์สลับกันไปเพราะเหตุการณ์ต่างๆมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีการเกิดเวลาเกิดขึ้นก็ดี อ, อกมีใจตอนมีการตายก็เส อ, ออกเสียใจร้องห่นร้องห้กันนี่คือชีวิตของของคนเราทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็น นักบวชหรือเป็นคารวะาก็ต้องสัมผัสเช่นเดียวกันคนที่สัมผัสแล้วไม่กระทบกระเทือนก็คือคนที่มีปัญญาหรือนักบวชนี้คนที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ควบคุมใจของตนเองไม่ให้หลงระเิงกับการเจริญของาราบยศสันสันสึกไม่ให้อยากกับไม่ให้อยากได้ในรากยศสันสันสุดถ้าเราไม่อยากแล้วมันจะไม่เป็นปัญหากับเรา มันจะมามากมาน้อยอย่างไรมันก็จะไม่กระทบกับใจเรนี่คือการดำรงชีวิตการดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้ปราศ จ, จากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเราต้องมีปัญญาต้องเข้าใจถึงสภาพความแท้ความเป็นจริงของโลกว่าเป็นอย่างนี้ว่าไม่เที่ยง ว่าไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่ได้มาไม่นานเดี๋ยวก็กลายเป็นความทั่ไปแล้วก็ไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราไม่ใช่เช่นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสมบัติเข้าขกองเงินทองต่างๆก็เช่นเดียวกันเป็นเพียงสิ่งที่ เรายืมมาจากธรรมชาติเวลาเราเกิดแล้วก็ยืนมาจากข้อแม่ได้ร่างกายข้อแม่มาเราออกมาตัวขึ้นนําทำมาหากินเราก็หาหาเงินหาทองได้แล้วก็ไปซื้อข้าของซื้อสิ่งต่างๆมีคู่ครองมีลูกมีอะไรตามม า, านนแล้วสักวันนึงเราก็ต้องจากกันไปทุกคนต้องไปด้วยกันหมดเวลามาก็มาตัวตเปล่าๆเวลาไปก็ไปตัวตเปล่า คือใจเนี่ยมาม า, มาตามลำพังมาด้วยอํานาจของบุญและบาปที่เกิดขึ้นทั้งวถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นวาละของบุญสองผลก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์าการจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี้ต้องอย่างน้อยต้องมีศีลห้าต้องเคยรักษาศีลห้าไวถึงแม่ถึงแ ม, งม้อาจจะไม่ได้รักษาทุกวันหรือตลอดเวลาถ้ามีศีลห้าก็ถือว่ามีสิทธิ์เพราะว่า ขึว่ามีมากมีน้อยถ้ามีมากโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีมากถ้ามีน้อยโอกาสที่จะมาก็ามีน้อยเหมือนกับการสอบเอ็นคานเข้ามาหาวิทยาลัยถ้าคะแนนสูงเท่าไหร่โอกาสที่จะได้เข้าก็ามีมากถ้าคะแนนต่ำก็ลดลดหย่านกันไปเพราะนั้นการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เลือยไปเกิดเป็นเทพเป็นพร รือได้ไปถึงขั้นอริยะเจ้าได้มนุษยมกมห่งนิพพานก็ต้องมีศีลเป็นเป็นเป็นเป็นปัจจัยที่จะต้องมีที่จะส่งให้ไปพวกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้แสดงว่านชาติก่อนเราก็เคยมีศีลมาบ้างมากหรือน้อยก็แล้วแต่อย่างน้อยเราก็ได้เคยรักษาไ ว, ว้เมื่อได้รักษาแล้วเราก็มาเรียกว่าบุญส่งมา เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นวาระของบาปเราก็เคยทําบาปเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลาตกตกยุงฆ้ามดแมลงอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นวาระของบาปที่จะส่งผลก็จะทําให้เราไปเกิดเป็นยุงเป็นนกเป็นแมลงเป็นอะไรต่างๆเราก็ต้องอยู่ไปจนกว่าชีวิตของมดยึงมั่นนั้นหมดไปแล้วก็ไปต่อ ไปตามวาระของบุญของกรรมถ้ายังเป็นเวละของกรรมอยของบาปอยู่ก็ต้องกลับไปเกิดเป็นจักรเยลฉานอีกไปอย่างนี้ไปเรื่อย <c oughs> ๆสลับกันไปจากถึงเวละของบุญก็ <c oughs> ここได้มาเปิดเป็นมนุษย์บ้าง <c oughs> ได้เป็นเทพ <c oughs> ได้เป็นพรมบ้างแล้าถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วโชคดีได้เกิดใน ส, สกุลดีด้วยได้ได้เจอพระพุทธศาสนาที่ที่สั่งสอนให้เราทําความดีละบา แล้วเราก็มีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามเราก็จะสะสมโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกเป็นเทพเป็นโธมได้เป็นพระอริยะเจ้ามากยิ่งขึ้นไปเหมือนกับได้ไปเรียนหนังสือถ้าเราได้ไปเรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือโอกาสที่เราจะได้จบ ป, ปริญญาก็มีมากแต่ถ้าเราไปเกิดในสังคมหรือในครอบครัวที่เขาไม่ส่งเสริมเรื่องการทําบุญรักบาศกับส่งเสริม กับการทางส่งกานข้ามเช่นส่งเสริมให้มีทำบาปไกมาให้ทำบุญแล้วเราก็ทำตามเขาก็เท่ากับการไม่ได้ไปเรียนหนังสือไม่ได้ไปงเรียนไม่ได้สะสมบุญบาร่างีภพชาติต่อไปก็จะไม่ดีเท่ากับภพชาติที่ได้มาเกิดในในชาตินี้ แต่คนบางคนนี้มีบุญบา ร, รมีมามากไม่ว่าจะเกิดมาในท่ามการของสังคมใดครอบครัวใดเขาจะสอนให้ทําบาป ก, ก็ไม่ทําจะทําแต่บุญอย่างเดียวเพราะอำนาจของบุญที่ตนเองได้สะสมมานี้มันมีพลังมากเพรา ะ, ะสะสมมามากนั่นเองถ้าอย่างนี้แนละ้วคนนี้ก็จะมีแต่ไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะลงไปสูงที่ต่ำ ยกเว้นอาจจะไปเจออุบัติเหตุอย่างไดอย่างหนึ่งแล้วทำให้คลิกไปมีจิตจิตใจคลิกไปจากการฝ่ายบุญฝ่ายกุศลกลายเป็นการไ่ยบาปไปยกตัวอย่างองคุริมานก็มีจิตใจฝ่ายสูงเป็นเทิงนักบวชแต่ไปถูกคนหล อ, อกเข้าถูกอาจารย์หล อ, อกให้ไปทำบา เพราะความอยากที่จะบรรลุทำขั้นสูงและเพราะความศรัทธาเชื่อในอาจารย์ของตนเลยต้องไปทำบาทฆ่าคนเกือบพันคน mm hmm. แล้วก็โ mm hmm. ชคดีที่ได้ไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ช่วยพลิกจิตของขององ์กุิมาให้กลับสู่สัมมาทิฏฐิอีกครั้งให้เห็นชอบ ว่าการฆ่าผู้อื่นนั้นไม่ได้เป็นการสร้างบุญบารแต่เป็นการทำบาปทำกรรมให้ตนเองต้องจกนรกแล้วก็ลอยเกิดศรัทธายึดคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามจนได้บรรลุเป็นผ้าอหารหันในชาตินั้นเลยก็เลยหนีพ้นวง ก, กรรมที่ตนเองได้ทำที่ไปฆ่าคนถึงเรือบพันคนนี้ได้เพราะเมื่อบรรลุเป็นผ้าอหารหนะันแล้วก็ไม่ต้องเกิดกต่อไป เมื่อไม่เกิดแล้วกรรมก็ไม่สามารถไปทำไปไปไปทำไปทำอะไรกับใจดวงนั้นได้จิตวงนั้นไพราจิตดวงนั้นพ้นจากบหตุกรรมแล้วดัง <c oughs> นั้นขอให้เราจงมีความแน่วแน่ต่อการทําบุญทําความดีแน่วแน่ต่อการละบาปการกระทํ า, ทาทความไม่ดีแน่วแน่ต่อการกําจัดความโลภความโกรธความหลง ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดอยู่ในสถานที่ใดเหตุการณ์ใดอยู่ในโลกไหนก็ตามพบไหนชาติไหนก็ตามถ้าเรามีความแน่วแน่กับคุณธรรมทั้งสาประการนี้แล้วรับรองได้ว่าจิตใจของเราจะพัฒนาจะเรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดสักวันหนึ่งก็จะได้ริมรถพระธรรมอันประเสริฐก็คือพระ น, นิพพาน ร, ริมรถตะบรมสุข ที่พระพุทธยจาและพระอาหารหันต์ทศกทั้งหลายได้ได้เสร็จได้สัมผัสได้มาครอบครองไว้เป็นสมบัติทั้งทั้งตนเสียงเหล่านี้ไม่ไม่อยู่ในวิสัยของสักรโลกผู้ที่มีจิตใจฝ่ายบุญฝ่ายกุศลจึงขอให้เราใช้เวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ให้คุ้มค่า เพราะมีพบของมนุษย์พบเดียวเท่านั้นที่สามารถสะสมบุญบรารมีได้ถ้าไปเกิดทบอื่นนี่จะไม่มีโอกาสโดยเป็นเจ้าฉานก็จะสมบุญบารมีได้น้อยอาจจะได้บ้างเช่นลิงกับช้างที่ทำบุญกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีโอกาสสะสมบุญบารมีถึงขั้นมรรคผลไม่ผานได้ทำได้ยิ่งมากก็ทำบุญถึงฐานแล้วถ้าถ้าไปเกิดเป็นเทพก็จะสะุ ก็จะมีแต่ความสุขก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำบุญเพราะบนสวรรค์ก็ทุกคนก็มีความสุขด้วยกันทุกคนต้องมาเกิดในภพของมนุษย์นี้ที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บนเตยกันไนแล้วก็สามารถทำบุญได้ทำบาปได้ขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนว่ามีปัญญามากน้อยเป็นไร ถ้ามีน้อยก็พยายามเข้าหาผู้รู้เขศึ mm. กษาหาคบคน mm. เขาเรียกว่าทำสอนให้คบบัณฑิตอยากไปคบคนผ่านบัณฑิตก็คือคนรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ปรัมมา น, นี่คือเรียกว่าบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา ให้รู้เพียงเจ็ดข้อนี้รู้เหตุรู้ผลก็คือรู้ว่าการกระทําของเราเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลคือความสุขความเจริญด้วยความทุกข์ความเสี่อมเสียเราทำดีมันก็จะมีผลคือความสุขความเจริญถ้าทําชั่วมันก็จะมีผลคือความทุกข์ความเสี่อมเสียตามมานี่คือการรู้เหตุรู้ตนก็รู้รู้ฐานะของเรารู้ว่าตัวเราเป็นอะไรให้อยู่ตามฐานะของเรา รู้บุคคลก็เกี่ยวกับคนที่เราเกี่ยวข้องเน่ว่าเขาเป็นใครมีสูงมีต่ำมีเท่าเราเราต้องปฏิบัติตัวเราให้เหมาะสมกับฐานะของเขารู้สังคมก็คือหนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ในสังคมที่เราอยู่รู้รู้การลักเทษะก็รู้ว่าเวลาที่เราอยู่ที่ไหนสถานที่ใดเวลาใดคนจะกระทำตัวอย่างไร ควรจะสงบน่งแลควรจะกระกโดดโลดเต้นก็สั่งกับ้องรู้จักรูร้จักกาลเทศะและรู้ประมาณก็คือต้องรู้จักความพอดีเช่นในปัจจัยสี่อย่างที่ได้พูดไว้เมื่อก่อนนี้ว่เาเรากินเพื่ออยู่เราอยา่าไปอยู่เพื่อกินถ้ากินเพื่ออยู่แนละ้วไม่ปัญหาไม่มากถ้าอยู่เพื่อกินนี่มันวุ่นวายเราจะกินได้ชักมืออะไงนี่บางทีต้องหาร้านอาหารต้องหลายแห่ง ร้านนี้ก็ไม่ถูกใจร้านนี้ก็ไม่อร่อยั้านนี้คนก็มากเมื่อกว่าจะได้กินกับคนดีหาหิวพอดี <c oughs> นี่คือการให้คบบัณฑิตถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าเราคิดว่าเราอย่างเป็นผู้ที่ได้ปัญญาก็ควรเข้าหาบัณฑิต อ, อย่าไปหาคนพางคนพางก็จะเป็นคนพวกโลภโลมโทสันพวกร้ายเหตุร้ายผลพวกที่ชอบทาอะไรตามอารมณ์ของตนพวกที่หลงบําเนินกับความ กับลาบยศสารเสนสุดนี่เป็นพวกที่เราเรียกว่าเป็นพวกเป็นพวกคนผ่านหรือว่าพวกถ้าเร็วไปตอนนั้นก็พวกผ่านแบบที่ไร้ศิลธรรมชอบพวกนกนกตกปลาชอบเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเสกจุรายามเมามีคามเข็ดข้านครบคนชื่อว่าเป็นเมิตรคนพวกนี้ถ้าไปครบกับเขาเพราะว่าจะชักจูงหนึ่งเราให้เราสุดที่ต่ำจะไม่เกิดสัญญาขึ้นเลย ภพชาตินี้ก็เลยจะสูญเสียสูญเปล่าไปไม่ได้สร้างไม่ได้สะสมบุญบารมีกับมาสะสมบาปแทนที่จะเดินก้าวขึ้นไปข้างหน้ากับเดินถอยหลังถ้าพูดตามภาษาโบราณก็คือเสียชาติเกิดเกิดมาแล้วไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับจิตใจของตนเองทําประโยชน์ให้กับกิเลสความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นก็เท่ากับชุดลากเราให้ลงสูนที่ต่ำชุดลากเราสุ่ ชอบไปสู่ความทุกข์ทานั้นเองยิ่งขอขอสรุปว่าการเกิดมาของการเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่เลิศที่วิเศษที่เป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์มากถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตของมนุษย์ให้ถูก ป, ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าทำอะไรตามความโลโภโกรธหลงของเรามันจะชดล่าให้เราเป็นสิ่ที่ต่ำคือว่า พูดมาก็ยาวพอสมควรอมาเปิดโอกาสให้สนทนากันถ้าใครอยากจะถามอะไรที่พูดเมื่อกี้นี้ยังไม่ชัดเจนหรือ ม, มีบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจอยากจะทราบก็มาชวนถามไดะคราวเรียนถามท่านนะคะในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ค่ะขอคำแนะนำจากท่านว่าออการปฏิบัติธรรมเนี่ย เราต้องปฏิบัติไปควบคู่กับการฟังคือสุดตะมยะปัญญาอย่างนี้ยังถูกต้องหรือไหมคะคือการปฏิบัติธรรมนี้มันก็มีหลายระดับด้วยกันตั้งแต่ขั้นทานศีลภาวนาขึ้นไปทานนี้ก็เราก็ทำไปตามตามกาลเวลาถึงเวลาที่จะช่วยเหลือใครได้ให้อะไรใครได้เราก็ทำไปให้ไป นิ้งเาก็ต้องรักษาอยู่ตลอดเวลาคือศีลห้าควรพยายามรักษาศีลห้าไว้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรจะพูดอะไรจะทําอะไรแก็ขอให้เราเอาศีลห้ามาประกอบเสมอว่าติดศีลหรือเปล่าถ้าผิดศีลเราก็อย่าไม่ทาส่วนภาวนานี้ก็มีอยู่2ระดับด้วยกันเรียกว่าสมถะภาวานาญาณิปัสสนาภาวนาขั้นต้นนี้ท่านก็ให้เจริญ สมถะภาวนาด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องที่เราสามารถทําได้ตั้งแต่ตื่นจนถึงหลักไม่จําเป็นจะต้องมาวัดคือสติได้อยู่กับตัวเราสติก็หมายถึงการให้เรารู้อยู่ทุกขณะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่วิธีที่จะตั้งสติง่ายที่สุดก็คือให้ตั้งสติอยู่ที่กายก่อนกายนี้เป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลา ให่เราเฝ้าดูกายทุกขณะเลยว่าเรากําลังทําอะไรกับร่างกายนี้เช่นขณะนี้เรานั่งก็ให้รู้ให้มีสติรู้ว่าเรากําลังนั่งอยู่พอเราจะลุ ก, ลกขึ้นมาเราก็ต้องรู้รู้แล้วว่าเรากำลังจะลุกก็เฝ้าดูการลุกขึ้นของร่างกายคล้ายๆร่างกายนี้เป็นเหมือนกับนักโทษสนใจนี้เหมือนเป็นคู่คุมนักโทษใจต้องคุมด้วยสติคุมนักโทษอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้เรียกว่าเป็นการภาวนาเป็นการปฏิบัติไนดะ้นี่เป็นตัวสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิหรือจะทำให้จิตเกิดปัญญาขึ้นมาเช่นเมื่อกี้พูดถึงสุตตมยัปัญญานี่ก็คือระดับวิปัสสนาคือหลังจากที่เราทำจิตให้สงบแล้วจิตก็ยังไม่ยังไม่มีแต่ความสงบแต่ยังไม่มีปัญญาออกิเลส กฏขึ้นมาก็จะสร้างความยังสร้างความทุกขให้กับสิ่งนั้นเพราะสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะดับหรือตัดหรื อ, รอทำลายสิ่งเหล่า้ก็คือปัญญาที่ปัญญาก็มีอยู่3าระดับด้วยกันเรียกว่าสุตตะมยัปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินเลียกฟังเช่นในขณะนี้เรียกว่าสุตะมยัปัญญาระดับที่2เรียกว่าจินตะมยัปัญญามีปัญญาที่เกิดจากการได้คิดอ่านด้วยตนเอง เช่นวันนี้ได้ยินได้ฟังอะไรนะแล้วเราก็เอาไปคิดต่อเอาไปคิดพิจารณาต่ออย่างเรื่อยๆเพื่อเหนี่มกันความหลงลืมถ้าเราฟังแล้วเราไม่คิดต่อมันก็จะหายไปเพราะจิตของเราต้องไปทำงานอย่างอื่นต้องไปคิดเรื่องอื่นพอไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราไม่คิดถึงเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมานี้มันก็จะ่างหายไปังนั้นเราควรที่จะคิดอยู่เรื่อยๆประกอบไปกับการคิดเรื่องอื่น คิดเรื่องอะไรก็พยายามเอาเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปไปไปปฏิบัติตามด้วยเช่นจะไปรับประทาน อ, อาหารอะไรทีนี้ก็ต้องคิดแล้วว่าเมื่อกี้ได้ยินแล้วว่าต้องอยู่ต้องกินต้องกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเพราะฉะนั้นเมื่ออยากจะกินอะไรก็มีอะไรที่ใกล้ที่สะดวกก็กินมนันทางนั้นเลยกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเรามีจินตะมยะปัญญาควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิต แต่มันก็ยังไม่พอที่จะตัดกิเลสให้ขาดกิเลสที่จะขาดได้นี้ต้องเกิดจากภาวนาเมย์ปัญญาคือเกิดจากจิตที่สงบจิตมีความสงบแล้วจะมีพลังที่จะตัดกิเลสได้เวลาเกิดความโลภขึ้นมาก็ตัดได้เลยเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็จะตัดได้เลยปัญญานี้ต้องมีสมถะภาวนาเป็นเป็นตัวสนับสนุน ถ้าจิตสงบได้มากเท่าไหร่ก็จะจะตับได้มากเท่านั้นเพราะกําลังตับนี่อยู่ที่สมาธิอย่ที่สมถะภาวน า, วาคือตัวหยุดนี้เองเป็นเบรคพอกิเลสโผล่มาปับ๊บถ้าไม่มีเบรกก็หยุดไม่ได้เช่นเวลาโกรดรู้อยู่มีสตริรู้อยู่กําลังโกรดแต่หยุดนั้นไม่ได้มันจะพูดมันจะว่ามันจะทําอะไรเราก็ไปหยุดนั้นไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังจิตไม่มีสมถะ จิตไม่มีความสงบพอที่จะหยุดที่จะดึงกลับเข้าสู่ความสงบได้นั่นเองนี่ก็คือการการลำเพลิการปฏิบัติถ้าผู้ตั้ความจริงแล้วต้องปฏิบัติตลอดเวลาและปฏิบัติได้เพียแต่ว่าในเบื้องต้นอาจจะไม่ถนัดอาจจะเผลอง่ายเพราะโดยนิสัยของจิตนี่ชอบเถอชอบไหลไปตามกระแสอารมณ์ต่างๆที่มาสัมผัส พอเห็นอะไรปั๊บก็จะคิดตามไปพอได้ยินอะไรปั๊บก็จะคิดตามไปก็เลยไม่มีกําลังที่จะดึงมันกลับมาให้ตั้งมั่งให้เป็นสมถะเพื่อจะได้หยุดจิตใจไม่ให้ไปสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเั้นบางครั้งบางคราว ก, ก็ต้องอาศัยการไปปริกวิเวก ค, คือต้องปล่อยวางสาระกิจกลางงานต่างๆ แล้หันมาทุ่มเทกับการสร้างสติสร้างปัญญาสร้างสมาธิอย่างจริงจังเป็นปีวัดทีละสามวัน5วัน7วันอย่างนี้ก็จะมีโอกาสได้สร้างพลังจิตขึ้นมาพลังจิตก็คือสมาธิสติปัญญาวิริยะความธาตุผิวที่เป็นเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะกําจัดกิเลสความโลภโกรธหลงทลายได้ ถ้ายังอยู่ในสังคมยังทํางานอยู่เนี่ยก็จะลําบากเพราะมันเป็นจะอยู่ในอยู่ในฝ่ายของกิเลสเป็ส่วนใหญ่เพราะการงานต่างๆก็มีกิเลสเป็นพื้นฐานอยู่ทํางานอะไรก็เพื่อที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาซึ่งไม่ใช่เป็นทางธรรมทางธรรมนี้ต้องสละต้องต้องจับต้องประหยัดได้ทำไปเพื่อ กำจัดความโลภความกรธความยลงาะฉะนั้นถ้าเรายังอยู่ในโลกอยู่ในสังคมอยู่ในจะรู้สึกว่ามันจะทวนกระแสกับทางธรรมะแต่ถ้าเราสามารถจเจริญธรรมะได้จนมีกําลังพอแล้วเนี่ยธรรมะมันจะเป็นตัวชุดลากเราออกจากสังคมไปเองจนสักวันหนึ่งเราอาจจะลาออกจากงานก่อน ถึงเวลาเกษียณกะได้ถ้าเรามีความสุขทางด้านจิตใจแล้วเราเห็นว่าความสุขทางด้านลาภุสสารสันสุขนี้ไม่มีความหมายะไรถ้าเราได้พบกับความสนุกที่แท้จริงเพียงครั้งเดียวในขณะที่ได้นั่งสมาธิและจิตรวมลงเป็นหนึ่ ง, เ ป, เ, งเป็นเอกตาลงสัจตะว่ารู้อยู่ตามนั้นจิตจะพบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตล่าไว้ว่าความสุขเหนือความสงบไม่มี ความสงบในโลความสุขต่างๆในโลกนี้ที่เหนือความสุขที่แตกจากความสงบไม่มีถ้าเราได้สัมผัสความสุขแบบนี้แม้เป็นเพยงชั่วขณะหนึ่งมันก็จะเป็นเป็นสิ่งที่มีสร้า ง, ส ร, า ง, ส, รา ง, งสร้างสร้างลังใจสร้างสำชทะวิรยิยะความพอใจความยินดีที่จะออกไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ความสุขนี้นี้มามากยิ่งขึ้นไป เราได้ริ้มรสของวิเศษที่เราไม่เคยริ้มรสมาก่อนและไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้ความสุขที่วิเศษแบบนี้ได้มีมีการปฏิบัติธรรมเท่าทนั้นที่จะทําให้เราได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็จะเริ่มรับถอยหลังเปลี่ยนตัวมีภาระหน้าที่อะไรก็พยายามรีบทําให้มันสําเร็จนุ่งไปอันไหนตํบบาได้ก็ตัดอันไหนมอบให้คนอื่นก็ทําได้ก็มอบให้เขาทํำไป ตนเองไม่ต้องการอะไรทั้งสิส่งขอให้ขอตัวขอตัวเท่านั้นเองสมบัติเข้าของเงินทองรามีภ ร, รรยาบุตรธิดายกให้ ค, คนอื่นหมดเ<ม>ช่นพระบุทธเจ้าของเราเป็นใจอาจารย์อาจารย์ที่เรียนถามไม่ลาปฏิบัติทมแล้วสมมติราปฏิบัติสมาธิแล้วก็ ชอบในกับความสงบนิจใจเพราะว่าแบบนี้เนี่ยพอเราไปอยู่กับความวุ่นวายเราจะรู้สึกเราอยากจะเลี่ยงถามว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเจริญสติโดยเอาเมตตาเข้าไปผสมเพื่อให้เราอยู่กับสิ่งนั้นได้ยังถูกต้องอยู่ยหรือไม่ถูกต้องนอกจากเมตตาแล้วต้องมีปัญญาด้วยเมตตาอย่างเดียวจะไม่พอเมตายัางแค่ไปต้องมีปัญญาคือคือการปฏิบัติเนี่ยเมื่อเรามีความสงบแล้วเราอยากปฏิ ที่ความสงบอยากให้สงบไปตลอดเพราะเมื่อเราออกจากความสงบแล้วเราต้องมาเจริญปัญญาพิจณารูปสิงเกนลนรถโพธภิภพว่าเป็นอริยจังทุกขังนัตตาถ้าเรามีปัญญาแล้วเวลาเราสัมผัสกับลูปสิงเกนลนรถโพธภิภพเราจะรู้สึกเฉยเเราจะปล่อยวางได้ถ้าเรายังไม่มีปัญญานี้เราจะลำคานใจเห็นอะไรได้ยินอะไรแล้วลำคานใจ ยี่แสดงว่าเรายัางหลงอยู่เรายัางเรายัางทุกข์อยู่เรายัางผิดอ ย, อ ย, อยู่เราอยากจะหนีการอยากนี้ก็เป็นปัญหาข้อย่างหนึ่งเราจึงต้องใช้ปัญญาเพื่อสอนจิตว่าไม่ต้องหนีเป็นอะไรก็การดูไปฟังไปก็เท่านั้นเองเราอย่าไปยินดียินร้ากับเขาของเรากันเขาจะทำอะไนกระ โ, โดดโน้มเต้นอย่างไรถ้าเราไม่ได้ไประยุึดไปติดกับเขาเราก็จะรู้สึกเฉย เราต้องปล่อยวางต้องพิจารณาเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเช่นฝนฟ้าแดดนี้เรารู้ว่าเราบังคับเขาไม่ได้เราก็อยู่กับเขาได้เพราะเราไม่ไปยึดติดกับเขานั่นเองเราปรับตัวของเราให้เข้ากับเขาอย่าให้เขามาเข้ากับเราแล้วก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับสบภาพ ถึงแม้มันจะวุ่นวายเดือดร้อนขนาดไหนถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ก็ต้องทนไปก่อนแต่ก็ไม่นำมาคารว่าให้ทนอยู่ไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลามีโอกาสที่เหมาะที่ควรจะเปลี่ยนขาถานที่สงบเยือกเย้ยเช่นเช่นบนเขาเนี้เราก็ค่อยไปกันแต่ในขณะที่เรายังมีความตนเป็นมีหน้าที่ที่จะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆก็ขอให้เผชิญด้วยปัญญาคือสอนใจให้ปล่อยวางท่นั้นเอง แต่ไม่ได้ให้ปล่อยตะลับเลยหน้าที่การงานมีหน้าที่การงานอะไรก็ทำให้ดีที่สุดแต่อย่าไปดีใจเสียใจกับผลที่เกิดจากการกระทาของเราเพราะว่าถ้าเราทำดีที่สุดแล้วมันก็ได้ทรรงนั้นถ้าอย่างนี้แนละ้วเราจะไม่ทุกกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าปัญญาแต่เมตตานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญานะั่นแหละคือเราต้อง้จักให้อภัย เวลาใครมาทําอะไรทําให้เราเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาเราก็อย่าไปโ ก, โกๆๆรธแค้นกดเื่อนเรานี่ระงับความโกรธทันทีว่าความโกรธนี้เป็นโทษกับเราแต่สิ่งที่เขาทําผิดนั้นไม่ได้ไ็ไไ่ได้เป็นสิ่งเสียหายอะไรถ้าใจเรารับได้มันก็ผ่านไปได้ถ้าใจเรารับไม่ได้ใจเราก็วุ่นวายวเราต้องระงับดับความวุ่นวายของใจพอระงับดับได้แล้ว สิ่งที่เขาทำหรือสิ่งที่เขาพูดมันก็ผ่านไปแล้วเกิดขึ้นแล้วพอความลุ่มน้อมจิตใจหายไปมันก็ไม่เป็นปัญหาในขณะที่มันลุ่มน้อมมันจะกลายเป็นเรื่องขึ้นมาก็ต้องรู้จักให้อภัยอย่าไปจองเวรจองกรรมยังไงดูคนถามคนเดียวเลยอันได้ครับ <c oughs> เดินถามอาจารย์นิดนึงนะคะเพิ่งจะเริ่มนั่งสมาธิเข้านั่งเป็นนานๆมันมึนๆยังไม่ได้ทันได้เจริญปัญญาเลนรู้สึกวเตืองจะแก้ไขยังไงเตื่องยังไงมันมันเตื่อยังไงมันจะหลับหรือว่าม่มันเหมือนมันๆมัปวดนะแย่อมันเหมือนแข็งแข็งยังไงใช่การคอแข็งใช่เราเราเกรงหรือเปล่าเวลาที่เรานั่งไม่เกรงพยายามตั้ง นั่งแบบสบายๆแล้วอยากไปเด็งที่ผลว่าจะต้องได้อย่างนั้นจะต้องได้อย่างนี้แล้วเรานั่งนี่เราใช้อะไรเป็นเครื่องกำกับใจเร า, เราหายใจเข้าออกแล้วก็มีอ ย, อย่างอื่นด้วยป่อยาอย่างเดียวอย่างเดียวดูลมเฉยๆหรือพูดด้วยทโทรด้วยอบางทีมันทําหลายอย่างก็เหมือนกับเวลาขับรถใหม่ๆเนี่ยมันต้องทําหลายอย่างมันก็นกนเลยเก่งไปไห น, นจะต้องเหยียบคลาไหนจะต้องเปลี่ยนเกียร์ไหน ย, ยิ่งถ้าเมรฝนตกต้อง เปที่ปัดน้ําฝนเราจะเปดิดวิทยุถ้าทำอะไรหลายอย่า ง, างนี้มันก็จะทําให้เกิดความเปล่งขึ้นมาได้พยายามทําแบบง่ายๆไปก่อนเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนถ้าจะดูลมก็ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องพุทโถก็ได้ให้รู้ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกเข้าดูอยู่ตรงนั้นจุดเดียวพอไม่ต้องตามลมไปที่กลาง อ, อกหรือลงไปที่หน้าท้องให้อยู่ตรงที่ปลายจมูก ลมเข้าก็รูอยู่ตรงนั้นลมออกก็รอยู่ตรงนั้นเท่านั้นไปก่อนเพราะว่าบางทีถ้าเราทําอะไรหลายอย่างนี่นมันเกิดความเคร่งขึ้นมาได้ไหนจะหายเข้าแล้วหายใจเข้ายังต้องพูดอีกหายใจออกก็ต้องโทอีกแล้วสับสนไอ้นี่พูดธนี่โทเราหายใจมันจะเล็นไปหาเรื่องอื่นคิดเรื่องนี้เรื่องนีงนงนงนงนง้มันก็เลยทําให้เกิดความความเครียดขึ้นมาลึกๆ ก, ก็ได้โดยที่เราไม่รู้สึกตัว หรือถ้ายัางดูลมไม่ได้ก็ลองใช้อุบายด้วยการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปพ่าน ใ, นใจขณะที่เรานั่งสมาธินี่แหละแต่เราแทนที่จะดูลมหรือพุโทโธเราก็สวดอิติปิโสไปสวดมนต์บทไหนที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจเย็นแล้วก็สวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกอยากจะหยุดสวดแล้วก็หยุดแล้วดูลมต่อไปก็ได้พยายามทำจากง่ายแไปหายาก จะทำจากยากมาหางานเพราะมันจะมันจะลําบากนะลองทําดูนะแต่มันอาจจะมีเหตุอย่างอื่นก็ได้ก็ต้องลองสังเกตดูพราเราเป็นหรือป่าเราอยากหรือป่าอยากอยาให้ได้ผลมากน้อยเพีเยงไรนั่งแล้วอยากจะให้ได้ผลมากนี่มันก็เกิดความเก่งมากแต่ถ้านั่งแบบว่าไม่ได้หวังผลอะไรเพิแต่ขอให้ได้นั่งให้ได้ทําตามหนะ้าที่ของเราไป แล้วก็ไม่ถึงกับปล่อยฉารละเลยไม่ให้ตัวสำคัญที่สุดก็คือต้องมีสติให้มีสติอยู่กับงานที่เราให้จิตทำให้ดูลมก็ให้รู้แต่ลมอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นประกอบไปด้วยควบคู่ไปด้วยหายใจเข้าแล้วคิดถึงเรื่องงานเรื่องการอย่างนี้ก็ไม่ได้ภ า, าวนาลวหายใจออกแล้วคิดถึงเรื่องทางครอบครัวทางบ้านก็ไม่ได้ภ า, าวนาต้องมีแต่ลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้น ในขณะที่เราภาวนาเพราะเราต้องการระงับความคิดนั่นเองผลที่เราที่จะเกิดขึ้นจากการภาวนาที่แท้จริงก็คือความสงบนิ่งของจิตในขณะที่จิตสงบนิ่งนี้จะไม่คิดถึงเรื่องอะไรต่างๆจะจะไม่รับรู้เรื่องอะไรต่างๆนี่คือเป้าหมายของการภาวนาเรียกว่าสมถะภาวนาบางท่านนั่งไปแล้วอาจจะไปปรากฏเห็นสียงนั้นสิ่งนี้มีแสงผลขึ้นมามีเสียงปรากฏขึ้นมา ก็ให้รู้ไว้แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปอย่าไปยึดติดอย่าไปสนใจให้กลับมาหาหาองค์ภาวนาถ้าใช้ลมหายใจก็กลับมาหาลมหายใจแล้วอีสิ่งเหล่านัน้นก็จะหายไปเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของวิเศษหรือของอะไรมันเป็นผลพลอยได้แต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้ช่วยทางด้านจิตใจของเราให้พัฒนาขึ้นให้นั้อย่าไปหอง เวลานั่งเราเห็นอะไรแล้พอก็อยากจะนั่งให้เห็นอย่างนั้นอีกนั่นแสดงว่าเราเหลงทางนะเพราะสิ่งที่เราต้องการเป้าหมายของการนั่งก็คือความสงบนิ่งของจิตใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอนี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิที่เรียกว่าสมถภาวนาเพื่อจะได้เป็นฐานของวิปัสสนาของปัญญาต่อไปถ้านั่งแล้วจิตไม่สงบนิ่งแล้เห็นนั่นเห็นนี่พอออกมานีก็เหมือนกับไม่ได้นั่ง ก็จะไม่มีกําลังที่จะไปเจําริญกัมยาต่อไปได้แต่ถ้าเรานั่งนั่งสงบนิ่งได้งานเท่าไหร่มันก็จะทําให้จิตนิ่งถึงแม้จะออกมาแล้วมันก็ยังนิ่งอยู่มันไม่มันไม่แกว่ไปกว่งมาตามอารมณ์ต่างๆเราก็สามารถเอาธรรมะมาสอนใจได้ในขณะนั้นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะค่อยๆซึมซาบเข้าไปในจิต ใ, ในใจของเราเรื่อยๆหรือเวลาเราไปไปประสบไปไปไ ป, ไปเผชิญกับ สิทธต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกครังอนัตตาเราก็จะได้มีธรรมะมาบอกว่า น, นี่แหละคืออนิจจังถ้าเรารู้ว่าเป็นอนิจจังเราปล่อยวางปับ๊บมันก็ไม่เป็นปัญหากับเราถ้าเราไม่ทันมันเราก็จะร้องโหมร้องไห้ขึ้นม า, าทันทีเช่นเกิดเส้นสีอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาเรามีอนิจจังทุกขรั้งอนัตตาอยู่ในใจแล้วก็บอกอก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ก็รู้สึกเฉย ก็จะไม่มีความทุกข์ทั้งทั้งที่สูญเสียสิ่งที่เรารักไปนี่ยกนี่คือเครื่องวัดผลของการเจริญสมาธิและปัญญาการเวลาทาสมาธิสิผลที่เราต้องการก็คือความนิ่งสงบของใจความต้องเอาต้องการความสุขความความอิ่มใจพอออกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องเจริญ จรียอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสติเตือนตนอยู่เสมอว่าเราอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าอะไรก็ตามเดี๋ยวจะต้องปรากฏให้เราเห็นเก็นได้ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจรับไว้พอมันเกิดขึ้นมาเราก็จะรู้สึกเฉยๆเหมือนคนเหมือนนักฟุตบอลคนคนเฝ้าประตูเขาก็ต้องเฝ้าอยู่ที่ประตูเตรียมรับลูกลูกบอลใส่เข้ามาทางไหนเขาก็รับได้หมด เชนการนะักปฏิบัติก็ต้องเตรียมรับกับยูกุึ้นบอลที่จะเข้ามาสู่ใจเราก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บค่ายได้ป่วยจากความตายจากการพัดพลากจากสิ่งที่เรารักจากการประสบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนานี่คือลูกขึ้นบอลที่มันจะพยายามยนเข้าสู่ประตูใจเรา แต่ถ้าเรามีปัญญาขอยเท้าแล้วเราจะรับทุกเรงไปได้ป้องกันไม่ให้เขาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราได้เพราะเราพร้อมที่จะเผชิญกับมันไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะว่าใจไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้สูญเสียอะไรใจไม่ได้อะไรใจเพียงแต่เป็นหลงไปยึดไปติดว่าเป็นของใจพอจะสูญเสียไปก็เศร้าโศกสเสียใจใจสามารถอยู่ได้โดยไม่มีอะไร ไม่มีร่างกายนิจใจก็ยังอยู่ได้ถ้าใจไม่มีกิเลสใจก็อยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดอันั้นตกาลเช่นใจของพระพุทธเจ้าไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยอ า, อาศัยสวรรค์ชั้นไหนให้ความสุขเพราะสวรรค์ชั้นไหนก็ยังสวรรค์สวรรค์ชั้นต่างๆก็ยังเสื่อมได้เป็นมนุษย์ก็เสืิอมได้ก็ตายได้ี้ มี่ผ่าน น, น้ำทนานที่ไม่เสีย่ยงเป็นเจ็บที่บอยสุดเมื่อเจ็บบอยสุดธิ์แล้วก็จะกลับไม่กลับไปเศร้าหมออีกต่อไปจะไม่กลับมีกินเลยอีกต่อไปพระอาจารย์คะคือชาตินี้นี่นะคะถ้าเราเป็นชาวพวุทธแล้วก็เราไม่โอกาสที่จะไปเกิดเป็นชาติเดินที่ไม่ใช่ชาวพุทธหรือเปล่าคะ ได้เป็นไปได้เพราะว่าการไปเกิดนี่มันไม่แน่นอนว่าจะไปเกิดย้าครอบครัวไหน<ม>อาจจะไปเป็นอิสลามไปเป็นยิวหรือไปเป็นคริสก็ได้แต่ถ้าเรามีพลังทางด้านพุทธมากเนี่ยเราจะดิ้นออกมาเอง<ม>เหมือนชาวต่างประเทศที่มาศึกษามาบวชในประเทศไทยเขาเป็นชาวคริสตชาวยิวชาวอิสลามแต่หลังจากที่เขาได้ยินได้ฟังธรรมะหรือว่าจิตใจของเขาพยายขาม อ, อยหาธรรมะที่เขาเคยมีอยู่ พอไปเจอธรรมะปั๊บนี้เขารู้รู้แหลกแล้วว่าที่อยู่ตรงไหนเขาก็จะมุ่งไปที่ตรงนั้นอย่มืองไทยเราตอนนี้มีชาวต่างชาติมามาบวชเป็นพระอีกมากมาจากหลายศาสนาด้วยกันแต่แต่ที่เช่หมายคะว่าชาตินี้เราเป็นชาวพุทธเกิดในประเทศไทยแต่ชาติหน้าเป็นขัาวหนังีกนั่นแหละก็พวกขั้หนังที่เขามาเกิดเนี่ยพวกขัหลังที่มาเกิดในชาตินี้ชาติก่อนเขาก็เคยเป็นชาวพุทธก่อนเข้าแขงวิ่งเข้าแข่งวิ่งหาพุทธอาจารย์ ขึ้นอยู่กับกับอะไรครแบบนี้ก็อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีสีหสส่ห้ารักษาสี่ห้าไว้ให้มากแต่ชาติไหนก็ได้เอยากจะไปเกิดที่ตรงไหนไม่แน่อาจจะไปเกิดในแอฟริกาหรือในยุโรปหรือที่ไหนแต่ไม่เป็นไรเพราะข้าใจของเรามีใจไปในศาสนาพุแล้วมันก็จะวิ่งหาศาสนาพูทธไปตลอดเวลาขออีกหนึ่งคถามนะคะ สมมติว่าถ้าคนหนึ่งนี่นะคะเอ่อจะต้องเจอแต่การช่วยเหลือคนอื่นนะนะคะหรือ mm hmm. กอีกคนหนึ่งซึ่งเอ่อมีโอกาสปฏิบัติธรรม mm hmm. นะคะที่ทําให้ตัวเองมีความสุขอันที่นี้เนี่ยใครจะได้บุญเอ่อดูบาปตามแต่ยงไงคได้บุญทั้งคู่แต่ว่าบุญก็ระดับการได้ช่วยเหลือคนอื่นนี่เป็นระดับพื้นฐานคือทานทา ส่วนการปฏิบัติธรรมเช่นไปอยู่วัดภาวนานั่งสมาธิอยู่ได้หลา ย, ลายวันเนี่ยเป็นธรรมขั้นสูงกว่าขั้นสูงกว่าเลยขั้นสูงกว่าคือเริ่มต้นจากทานแล้วก็ก้าวเข้าสู่เสียจากเสียงถึงจะก้าวเข้าสู่ภาวนาได้ถ้ายังไม่ทำบุญให้ทานอยู่นี่จิตใจก็จะไม่ยังยังมีความเห็นแก่ตัวยังมีความร้ายความเมตตาอยู่ยังคิดเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ แต่ถ้าจะเริ่มให้ทานได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วจิตใจก็จะเริ่มมีเมตตามีกรุณาก็ จ, าจะมีความไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะ ม, มีศีน์ขึ้นมาเมื่อมีศีล์ขึ้นมาแล้วก็จะแห่งความสงบที่เกิดจากศีนจิตใจสงบเพราะเวลาเราไม่เบียดเบียนใครกับเวลาเราเบียดเบียนใครนีความรู้สึกทางจิตใจจะต่างกันเมื่อเราไม่เบียดเบียนใครอยู่เรื่อยๆจิตใจเราก็จะสงบเมื่อสงบแล้วเราก็เห็นคุณค่าของความสงบ ก็อยากจะหาความสงบให้เพิ่มมากขึ้นเราก็อยากจะภาวนาทีนี้เราก็จะไปวัดกันละไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมกันส่วนเรื่องช่วยเหลือคนอื่นก็ช่วยได้ก็ช่วย ม, มีโอกาสช่วยก็ช่วยถ้ามันมีโอกาสก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปแล้วก็ทำทำทำําุลขั้นที่สูงกว่าไปแต่ผู้ที่ปฏิบัติอยู่นี้ก็สามารถออช่วยเหลือผู้อื่นได้ตลอดไปเช่นเดียวกันนะครับ ใช่ตลอดถึงเป็นผ้าพล้นานบรรลุพระเจ้าก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ช่วยกันในลักษณะที่ต่างกันถ้าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราช่วยในฐานะเป็นปัจจัยที่จะเกืออ้อหนุนให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเราได้บรรลุแล้วเราก็ช่วยหนุนช่วยไปตามตามตา ม, ตามจิตที่สะอาดบริสุทธิ์คือจิตที่หยุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็จะมีความเมตตาสงสารผู้อื่นที่ยังตดทุกข์ได้ยากอยู่ ก็จะช่วยแต่ไม่ได้ช่วยเพื่อต้องการให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ตนได้หลุดคนเพราะตนได้หลุดคนแล้วช่วยไปตามตามฐานะเช่พนพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างหลังจากที่ได้ทรงตัดสัรู้แล้วก็ยายสั่งสอนจัดโลกอยู่ถึงสี่สิบห้าปีด้วยกัน <S <S ถ้าไม่สอนก็ท่านก็ไม่ขาบทุนท่านก็ไม่ได้กำไรท่านก็อยู่เพราะจิตใจของท่านเป็นเหมือนน้าที่เป็นเปียนแ จะเทน้ำเพิ่มเข้าไปอีกสักกี่กี่กี่ขวดกี่แก้วมันก็เท่าเดิม น, น้ำมันก็อยู่เต็มเต็มนท่านทําไปด้วยความเมตตากรุณาตอนต้นท่านก็มีความท้อแท้ไม่อยากจะสั่งสอนสัดโลกแล้วก็พอดีมีเท้ามาพรมได้มาอาราธนาขอให้ท่านได้มีความเมตตากรุณาหรือที่ทรงไม่เมตตาที่ทรงไม่อยากจะสั่งสอนก็ทรงคิดว่า ธรรมะที่ทรงรู้ทรงเห็นที่จะนํ า, งงา ม, มาต่างสอนสามโลกนั้นจะไม่มีสามโลกที่อยากจะรับไปปฏิบัติเพราะสามโลกยังนุ่มหลงอยู่กับความสุขทางด้านลาบยศสลรเสริญสุดอแต่ความสุดที่พระพุทธเจ้าจะทรงสอนให้เขาได้รับนี้มันจะต้องแลกกันคือจะต้องสละลาบยศสลรเสริญสุดกนเลยเกรงว่าจะไม่มีใครยินดีที่จะปฏิบัติตาม หลังจากได้ทรงพิพจารณาก็ทรงยแยกย่าเห็นว่าจากักรโลกก็มีอยู่สี่กลุ่มด้วยกันเหมือนบัวสีเหล่าพวกที่มีสติปัญญาสูงก็จะเห็นเห็นถึงความไร้สาระของเรื่องราวยศนรตเสนสุขพวกนี้เขาก็จะมีความฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเพราะกล้าที่จะสละราวยศนัตเสนสุขได้ก็แบ่งฟัาลงไปตามลําดับจาก จนถึงขั้นสุดท้ายขั้นต่ำก็รัวัวที่อยู่กับโคลนกับตมพวกนี้ท่านก็เปลี่ยนเหมือนกับพวกที่ยึดติดกับากยึดเสร็าสรินสุดจนกระทั่งไม่โง่โง่หูไม่ขึ้นไปพูดให้เรื่องทำยุญทาทานนี่จะไม่เอาเลยรักษาศีลไม่เอาเลยให้ไปวัดทำแท้ทธรรมนี้สายหน้าแต่ถ้าบอกให้ไปเที่ยวไปเท่าบอนไปกินเล้าไปงานเลี้ยงนี่จะายทันที ไซื้อของกลางๆซื้อของเครื่อเสกอาจารยให้อีกคำถามหนึ่งด้วยกหมดถ้าศีลไม่ถ้าถ้าศีลห้ายังไม่บริสุทธิ์นี่จะเจริญภาวนาอยังไงก็ไม่เจริญเจ้ามีศีลเมื่อมันสนับสนุนกันถ้าถ้าบริสุทธิ์มากมันก็ภาวนาได้ง่ายขึ้นถ้ามันไม่บริสุทธิ์มันก็ภาวนาได้ยากขึ้นดังนั้นจารจะว่าไม่ภาวนามาได้เลยก็ไม่เชิงอไม่ได หมายถาว่าถ้าศีลบร้อยสริความวุ่นวายใจก็น้อยจิตกส็สงบถ้าไปเบียดเบี้ยไปผิดศีลท้อนั้นข้อนี้อยู่มันก็จะยังมีเชื้ อ, อยังมีตัวที่ทําให้มีความวุ่นวายเวลาภาวนาไอตัวนี้มันก็ไม่ยอมที่จะให้จิตสงบเพราะบางทีเราภาวนาไปแล้วก็อดที่จะคิดถึง เ, เรื่องที่เราไปทำเสียหายไม่ได้เกิดความกังวลเกิดความก ทุกใจขึ้นมามันก็เลยยากกว่าการที่ไม่มีเรื่องที่จะทําให้จิตไม่สงบแต่ไม่เมาเขาจะต้องสะอาดบริสุทธิ์ก่อนแล้วถึงค่อยมาทําภาวนาเช่นเราสะอาดบริสุทธิ์ 50% เราก็ภาวนาได้ 50% นะเข้าใจไ้มเราสะอาดบริสุทธิ์ 100% เราก็ภาวนาได้ 100% มันก็ช่วยสนับสนินทกันไปนะ แ้วพอเราภาวนาได้นะมันก็จะทําให้เรารักษาสิ่งได้ดีขึ้นพอเราได้ความสงบมากขึ้นจิตใจเราก็มีความร่มโงาโทสะน้อยลงเราก็จะเบียดเบียนผู้อื่นน้อยลงก็จะทําให้สิ่งนั้นดนมากขึ้นดังนั้นมันมันผัดกันสลับกันสนับสนุนกัน ท, ทั้งทั้งทานทั้งสี่งทั้งสมาธิทั้งปัญญามันเป็นเหมือนวงกลมมันช่วยนํากันปัญญาก็ดันคนที่มีปัญญามากๆกับเป็นคนที่ทำบุญทำทานมากหรือสละมาก เพราะรู้แล้วว่ายิ่งเสียขท่าไยิ่งมีความสุดมากขึ้นเท่านั้นแล้วเมื่อไงก็ผักดันกันไปให้ราาักษาศิลมากขึ้นให้ทํญญาสมาธิมากขึ้นให้เจริญปัญญามากขึ้นเพราะฉะนั้นมั น, มนไม่จําเป็นว่าจะต้องทำสิ่งใดก่อนเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นเป็นีนนนนลาขั้นไปทําควบ ก, กู้กันไปตามตามตามระดับของเรา ระดับทาง50เก็รักษาสี50เปอนภาวนา50เนไปแล้วก็ขยับขึ้นไปทำทาน60รักษาศี60ภาวนา60ขึ้นไปเรื่อยๆเนไไ ถ, ถึงขัง้นลอยอาจารย์คะอย่างที่เราสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นนะคะโดยความเข้าใจของศิษย์เองเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหนึ่งเป็นการส่งเสริมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อย่างที่2ก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการสอนเราในตัวในบทสวดมนนั้นไม่ทราบว่ามีอย่างอื่นที่รู้สึกคนรทราบเพิ่มเติมแบบก็เป็นนโยบาย<อ>แห่งสมถะภาวนาการสวดนี่ก็เป็นการทําสมาธิภายในตัวเพราะเมื่อเราสดวดเรวใจของเราไม่ต้องไปก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทําให้วุ่นวายไม่สบายใจเกอดการภาวนาคือคือเป้าหมายหลักของการทำทำวัดว่ดวดวดายพระสวดมนต์ก็คือการทําจิตใจให้สงบ ขั้นที่สองก็คือการเราเลือกถึงพระพุทธพระธรรพระสงฆ์เพื่อจะทําให้เราเห็นความสําคัญของการศึกษาประพฤติธปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนแล้วเราเลือกถึงทานก็จะเราเลือกถึงเรื่องอย่างที่ดีที่งามแต่ก็สําคัญเราต้องเข้าใจความหมายที่เราสูงก็ถ้าเป็นบาลีแล้วเราไม่ได้ไปศึกษาคาแตเราอาจจะเป็นแบบนกแก้ว แบบแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอเรียกมันแก้วมันก็ไม่รู้ว่าเรากำลังเรียกมันอยู่ดงนั้นการตรวจนี้ถ้าจะให้ได้ผลเต็มที่ก็ต้องมีความเข้าใจด้วยเข้าใจความหมายเพื่อจะได้เพื่อจะได้ล้ำลึกถึงถึงคุณพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพคุณพระธรรมพคุณพระสังฆพระคุณเพราะมันเป็นเป้าหมายของการของการปฏิบัติของเรานั่นเองถ้าเราปฏิบัติตาม สรกวันหน่งเราก็จะได้เป็นสุปฏิปันโนอุชุยาวะสามิจิตปฏิปันโนเราจะได้ทําที่เป็นสว่างเาเกียวพัทวตาธรโนมาครอบคล้องในจิตจขงเราเมื่อเรามีธรรมเราก็จะเห็นพุทธะคือเราจะเห็นว่ธธาพุทธเจ้ามันเป็นเต็มที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกันพระาจารย์คะหนูเรียนถามหนึ่คะ่ะทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองแลนน้วกรณีที่เรามีบุตรแต่บุตรของเราเนี่ยมีโรคประจําตัวค่ะ อันนี้เนี่ยก็คือเป็นกรรมของลูกแต่ว่าพ่อแม่นั้นก็ทุกข์ไปด้วยนี่ก็คือเป็นกรรมสัมพันธ์กันใช่ไหมคะแล้วเราควรจะมียึดหลักยังไงคะในการเล่นดูบุตรเราก็ต้องแยกไยะว่าบุตรกับตัวเรานั้ยเป็นคนละส่วนกันเวลาบุตรเจ็บไข้ได้ป่วยเรามีหน้าที่ก็ดูแลรักษาให้ยาหาหมอไปแต่เราไม่จะเป็นที่จะต้องมีความทุกข์ไปกับเขา พ่าความทุกของเราไม่ได้ไปช่วยให้ลูกภายใกล้จิตของเขาหายแต่กลับจะทําให้เราทุกข์ลงไปซึ่งเป็นการทําร้ายตัวเองเป็นอกุศลทางจิตใจที่เราจะต้อง ท, ที่เราจะต้องระงับแต่ลูกเราเขาเป็นอย่างไรเราก็ดูแลเขาอย่างเต็มที่มีเงินมีทางมียาซื้อยาวิเศษขนาดไหนโรงพยาบาลดีขนาดไหนเราก็ส่งไปดูแลกันไป แต่เราก็ต้องยอมรับ ว, ว่าเขาก็มีกรรมของเขาเข า, าชาติก่อนเขาอาจจะเคยไปทําบาปทํากรรมอะไรมาจึงทําให้เขาต้องมาประสบข้อกับเราก็อยาก็อย่าเป็นบุญของเขาที่เข้ามาเกิดเป็นลูกของเราแล้วเรามีความเมตตาต่อเขาแต่เราก็ทําได้เท่านี้เองแต่เราก็อย่าไปเสียใจอะไรเพราะเราคิดว่าทุกคนก็ต้องเป็นเหมือนกันไม่ใช่กันเลยเขาก็ต้องเป็นเราก็ต้องเป็น ทุกคนที่อยู่ในสารานี้ก็ต้องเป็นเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของของการมาเกิดถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถหักห้ามความเศร้าโศกเสีเยใจยได้เพราะเราเห็นว่าทุกคนก็เท่าเทียมกันไม่มีใครดีกว่ากันเรื่องเดีวกว่ากันในเรื่องเกิดแก่สก้นตายถ้าอาจารย์ถามเรื่องนี้นะค ะ, ะเจมีความเชื่อโดยตัวเองนะคะ ว่าถ้าเราได้แบ่งความทุกข์มาเนี่ยความทุกข์ของคนที่เป็นที่รักเนี่ยจะเบาบางไปเองเยอย่างเช่นความทุกข์ของลูกหรือบิดามารดาเนี่ยถ้าเราได้ร่วมทุกข์ ด, ด้วยนั้นจะทําให้ทุกข์นั้นเบาบางไปได้เพราะได้ช่วยกันแบ่งแบ่งสิ่ง น, นั้นมา <c oughs> ดิฉันมีคามํา ก็อาจจะมีบางส่วนเวลาเราทุกข์รอยคนอื่นเขเห็นใจเรามันก็ทําให้เราทุกข์น้อยลงได้ใช่ไหมคือทำให้เจ้าตัวอาจจะเป็นปฏิหารที่ทุกข์น้อยลงหรืออะไรอย่างนั้นค่ะเพราะว่าได้มีคนแบ่งเบาความทุกข์นั้นไปด้วยแล้วจริงเราไปแบ่งความทุกข์ของคนอื่นมาให้เราไม่ได้เนื่งแต่ว่าเราแสดงความเมตตาความเห็นอกเห็นใจเมื่อเรา ให้กำลังใจเขาอย่างนี้เขาก็อาจจะมีกำลังใจขึ้นมาก็เลยทำให้เขามีความทุกข์น้อยลงถ้าเกิดไม่มีใครเลี้ยงแล้วไม่มีใครดูแลเขาก็อาจจะสร้างความทุกข์มากขึ้นไปทับความทุกข์เก่าที่เขามีอยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าถ้าไม่มีไม่มีใครมาอะไรความทุกข์นั้นก็อยู่ที่ตัวเขาซึ่งความทุกข์นั้นเขาสามารถดับได้หมดเลยถ้าหมายถึงทุกข์ใจถ้าข้อเพียงแต่ยอมรับว่าเขาเกิดมาแล้วเต้องเป็นอย่างนี้ เขาก็จะไม่ทุกข์ทางด้านจิตใจแต่เรื่องร่างกายนี้มันทุกข์ก็มันก็ไม่สําคัญอะไรเพราะความทุกข์หรือความเจ็บปวดของร่างกายของร่างกายเมื่อเปรียบกับความทุกข์ความเจ็บปวดของจิตใจนี้มันหนึ่งต่อสิบแงร่างความทุกข์ทางใจนี่มันสิบเท่าความทุกข์ทางร่างกายมันเพียงเท่าเดียวเวลาที่จิตใจไม่ทุกข์แล้วร่างกายนี้เจ็บปวดนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ท่านถไม่หวั่นไหวกับความตาย ความเจ็บไข้ได้ปวดพระปฏิบัตินี้บางทีท่านไม่กินยาท่านไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะท่านมีเพราะาพระท่านมันไม่ได้เจ็บสิบส่วนท่านเจ็บเพียงส่วนเดียวเท่า น, นั้นเองอีกสิบส่วนนี้มันไม่เจ็บะคือกลางนี้มันไม่เจ็บก็เลยปล่อยให้มันไปมันอยากจะตายก็ให้มันตายไปมันจะหายก็หายใจไม่ได้ไปวุ่นวายอะไกับมันใจไม่ได้เจ็บด้วยใจไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เจ็บ่ายได้ปวดด้วย แต่ถ้าเกิดใจเป็นเนี่ยแม้กระทั่งเป็นรูงเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนิดเดียวเนี้มันกายเป็นรูงใหญ่โตขึ้นมาในใจเลยถ้าจาก ถ, ถ้าถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นบาปของดิฉันเองใช่ไหมคะ<ไ>ที่ว่าดิฉั น, นมีความทุกข์เกี่ยวกับคนที่เป็นที่รักเวลาทุกข์นี่ค่ะก็ใช่หรื ว, ว่าจะเรียกว่าเป็นความโง่ก็ได้ไ <c oughs> ตัวยังไม่มีปัญญา <c oughs> เป็นอกุศล ไ, ไ, ไปสร้างความทุกข์ให้กับเราเองทำไม มันเรื่องของคนอื่นเรื่องของชาวบ้านเราไม่เกี่ยวคี่เกี่ยวสิคะเพระผูกพันน่นั่นแหละมี่คำผูกพันนี่คือกิเลสอุปทานไงคำคำผูกพันนี่คือเพราะเราไม่เห็น <c oughs> เราไม่เห็นได้ปัญญาว่าความจริงเราไม่มีคำผูกพันต่อกันเลยเรามีความสัมพันธ์กันมีฐานะกันแต่เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเอง พวเราเป็นเหมือนตัวละครแต่เราเล่นกันจริงกันจังเมื่อเกินแต่ก็ตาพร้อมคือคือคือคือคเนี่ยนะครนี่พอดีเป็นทันยาผมคุยกับที่ร้าหลายปีไม่รู้เรื่องคือผมคิดว่าที่เขาคิดเนี่ยคือเขาอย่างนี้คือมันตามทุกข์ของคนที่เรากังวลเนี่ย คือเขามาเห็นเราทุกข์เขาอาจจะรักเราเขาก็เลยคลายความทุกข์แต่มันไม่ได้เกิดจากเราเราไม่เกิดจากคนนั้นใช่ไหมเกิดจากแม่หรือเกิดจากคนที่นค่าเขาคือเขาเห็นเราเนี่ยลําบากนะเพราด้วยความที่เขารักเราเขาก็เลยคลายทุกข์เพื่อไม่ให้เราทุกข์คือไม่แต่ไม่ได้เกิดจากการที่เราทุกข์แล้วก็จะเขาจะหายทุกข์นะฮะถูกไหมว่ามันเป็นเป็นประเด็นหนึ่งที่เขาคิดนะฮะแต่อย่างที่เมื่อกี้ผลวงพ่อพูดเนี่ยถูกมากเลย ผมก็เคยบอกเนี่ยเราเป็นโง่ทำไมแกก็ไม่เชื่อถามไปแง่ของการปฏิบัติค่ะเห็นว่าขนาดที่ปฏิบัติคืนั่งสมาธีอะค่ะทำน้อเกิดเวทนามากอย่างเช่นปวดขามากๆอะค่ะแล้วก็พยายามกำหนดตัวว่าปวดเนาะปวดเนาะแต่ว่า กำหนดคือยิ่งปวดนะคี้ค่ะท่านเราเควรจะเปลีนอาเรียบบอทเขาในสมาี่ต่อเลยว่าควรจะเปลี่ยนลักษณะของการเดินจงกรมแทนนค <c oughs> คือเป้าหมายถ้าเกิดถ้าเกิดการเก็บปวดขึ้นมาเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือต้องการปล่อยวางคือปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขา <c oughs> เขาจะปวดก็ปล่อยให้เขาปวดไปทีวิธีที่จะทําให้ปล่อยวางได้ก็มีอยู่2วิธีด้วยกัน คืออบุบา beneath, ยแห่งสมถะคือสมาธิและอุบายแห่งปัญญาอุบายแห่งสมถะก็คือเราอย่าไปสนใจกับความเจ็บปวดนั้นเราหันกลับเข้ามาหาพุทโธเราบริกรรมพุทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บปวดนั้นแล้วความเจ็บปวดนั้นมันก็จะไม่เข้ามาในใจของเราเมื่อมันไม่เข้ามาในใจของเรามันก็จะไม่ได้มาสร้างความกังวลกว่าให้ในใจเราพอใจของเราสงบบความเจ็บปวดนั้นก็จะไม่มีผลที่จะมากระทบกับใจของเรา เราก็สามารถนั่งต่อไปได้แล้วเดียวมันก็หายของมันไปเองลักษณะแบบเคยเคยแบบลองปฏิบัติดูแล้วก็ใ่ใช่ไ่อเยอะมากเลยเออมันมันเป็นธรรมดาเพราะตอนนั้นจิตเราเครียดด้วยจิตเราเครียดด้วยเนี่ยเราจะนั่งสมาที่ใหม่ๆนี้ถ้าผมจีวรนี่จะเกลียดทั้งตัวเลยมันร้อนร่างกายมันร้อนแล้วใจมันก็ร้อนด้วยเพราะมันจะต้องต่อสู้กับพิเล็มันมีความเครียดอยู่พอทั้สมคว แต่ถ้าเราสามารถที่จะเกาะใจเกาะใจติดกับพุโทโธหรืออารมณ์ที่เรากําหนดเป็นเป็นองค์ภาวนาได้นี่แล้วมันเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆเรื่องต่างๆภ า, า, ายนอกมันจะห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยที่เราคุยกันอย่างเงี้ยเราไม่สนใจกับเสียงเรามีสมาธิอยู่การคุยกันเสียงมันจะดังขนาดนั้นมันก็ไม่รบ ก, กวนจิตใจเราแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิคุยกันเนี่ยแล้วใจเราไปส่งไปหาเสียงนั้น เราจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วเราจะเกิดความลำคาญใจแล้วก็จะเกิดความอยากให้ไอเสียงนั้นมันดับก็ยิ่งลำคาญใจขึ้นมาใหญ่แต่กระทั่งนั่งแล้วไม่มีความสุขก็ขจะทนนั่งไม่ได้แค่เช่นเดียวกับการนั่งแล้วพอเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาแต่ใจเรามไปแทนไปผิดที่แล้วแทนที่จะอยู่กับพุโทโธเรากลับไปอยู่ที่ความเจ็บปวดยิ่งเจ็บเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากให้มันหายเจ็บมันก็ยิ่งปวดมากขึ้นคือมันมีความปวดสซ้อนขึ้นมาในใจ ปวดใจแล้วไม่พอนี่เริ่มปวดใจตามแล้วเหใจกระวลกระวายใจกระสับกระส่ายนี่เรียกว่าทุกข์ทางใจซึ่งแรงกว่าความทุกข์ความเจ็บปวดทางร่างกายเราจึงต้องดึงใจออกจากไอตัวเจ็บปวดนะั้นเข้ามาหาองค์ภาวนาของเรากลับมาหาพุทโธแล้วภาวนาให้ถี่ยิบเลยไม่ให้มันมีโอกาสเล็ดลอดเข้าไปหาความเจ็บปวดนั้นได้ถ้าเราสามารถทําได้ไม่นานเดี๋ยวจิตมันก็รวมลงได้พอรวมลงแล้วบางทีมันก็หายไปหมดเลยทั้ง ความเจ็บปวดทั้งความรู้สึกรับรู้ทางร่างกายนี้หายไปเหลือแต่จิตอยู่ตามัมพังของมันเองสงบนิ่งเย็นสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือผลที่เราใช้อุบายแห่งสมาธิอุบายแห่งสมาธเป็นเครื่องปฏิบัติกับการเพื่อการขว่อยวางเวทนาถ้าอีกวิธีหนึ่งก็คือวิปัสสนาเราก็ต้องยอมรับ ว, ว่าเวทนานี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง มีการเกิดขึ้นตั้งหยู่ระดับไปเหมือนกับราบเยอะสารเสื่อมสุดมีการเจริญเ ล, ล่าเสือมเป็นธรรมดาถ้าเวลาอะไรถ้าเราไม่ยึดติดกับมันอะไรจ ะ, จะเจริญก็ให้มันจเจริญไปเวลามันจะเสื่อมก็ขวานมันเสื่อมไปงั้นเวลาเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็บอกอ่ะอยจะเจ็บก็เจ็บไปแต่เราจะไม่เจ็บไปกับคุณด้วยนะใจของเราจะเนื่นองเฉยใจของเราจะไม่วุ่นวายปล่อยให้คุณเจ็บให้พอเดี๋ยวคุณเบื่อคุณก็เปลี่ยนไปเองเดี๋ยวก็หายไปเอง ถ้าเราทำใจอย่างนี้ได้ปล่อยวางได้ยอมรับความเจ็บปวดว่าเขาเป็นอย่างนี้เหมือนกับเรามือนกับฝนตกเราอยากจะไปไหนเนี่ยพอดีฝนตกสู้ลงมาถ้าเราไม่ยอมรับไม่ได้ใจเราจะกระสับกระส่ายเพราะเรานัด ก, กับคนนั้นคนนี้ว่าจะทำยังไงดีจะทำยังดีมันก็จิตใจก็กระสับกระส่ายแต่ถ้ารู้ว่าทำยงานก็ทำไม่ได้ยอมรอให้ฝนมันหยุดสะก่อนแล้วค่อยไปแล้วก็นั่งเฉยๆอยู่ในบ้านรอพอฝนหยุดก็สบายใจเราก็ไม่กระสับกระส่าย พอไมกระสับกระสายมันก็ไม่ทุกข์มันก็อยู่ได้คือคือมันเคยมีประสบการณ์ที่ท่านอาจารย์เล่าเนี่ยแต่มันไม่ใชยวิจารณาไปโดูเวือกคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคือเวลานั่งสมาธิเพลินเพลินแล้วมันเหมือนตื่นขึ้นมาจุกหนึ่งเนี่ยมันโปวดเป็นแแ็่ชายอย่างรุนแรงเนียนะคะอืมันก็มองมันอ่ะมันเบิ้ดเดียวมันก็หายไปเหมือนแต่มันไม่เคยเจ็บปวดไอ้แแม่ชายอย่างเงี้ยซึ่งช่วงหนึ่งที่เคยตุกอย่างนี้มันก็ เป็นอยู่สักทักเหนือแล้วค่ะเพื่อถูกก็ข้อสำคัญเพื่อปล่อยมันไงแต่อย่าไปอยากกับมันนะพอมันพอมันเจ็บชาขึ้นมาก็อยากจะให้มันหายเพราะเกิดความอยากนี้แล้วมันจะสร้างความเจ็บทางใจขึ้นมาซึ่งมีความรุนแรงจนจะทําให้เราทนนั่งไม่ได้ถ้าจะมันมันหายเจ็บจริงๆหรือหรือว่าจิตเขาดึงกลับมาที่คำภาวนาแล้วตรงนั้นก็เลยหายไปไม่ไม่มีทางนะคะปกติเวลานั่งเนี่ยจะดูนมแล้วก็ พอถึงจุดหนึ่งลมมันก็ไม่มีแต่ว่าพอมันกลับเหมือนกับว่ามันถอนกลับมานะเราก็เกิดเห็นไอ้อาการเวทนาไอ้ตรวนี้มันรุนแรงมากทีนี้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ท่าบมันเปนยังไงก็คือเหมือนมองไอ้โรคปวดอย่างเนี้ยหายมันแป๊หนึ่งอ่ะมันก็หายหายคือใจเราไม่ไปหวั่นไหวกับมันเไงเราไม่ได้ไปอยากอะไรกับมัน่่แตไมดูมันเฉยๆปล่อยวาง แต่บางครั้งที่ถ้าเราทิ้งไอการภาวนาไปนานแล้วอาทิตย์2อาทิตย์เรากลับมาใหม่นะคะไอตัวเวทนาเราเนี่ยแรงคือเหนกชากินเนี่ยไออย่างเงี้ยก็คือเหมือนทั่วไปที่ถูกหักใหม่ยค่ะคือมันเรารับไม่ได้รับมันไม่ได้เพราะเรานิสัยเวลาเราชอบหนีมาไงเวลาเจอความทุกหน่อยนีแล้พอร้อนหน่ะนี่รีบอาบน้ํากันละหรือเปิดแอร์กันละแทนที่จะปล่อยให้มันร้อนก็ร้อนไปเงือออกก็ออกไป แต่เราไม่งั้นเราพยายามหนีทุกเวทนากตลอดเวลาพอเรามานั่งสมาธิพอเจอทุกเวทนาหน่อยแล้วก็ทนไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกว่าทําใจของเราให้เฉยๆกับทุกเวทนาจะร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปจะหนาวก็ปล่อยมันหนาวไปพอทนได้ก็ทนเงินไปแล้วเดี๋ยวมันใจของเราก็จะปล่อยวางใจของเราจะเข้าสู่อุเบกขาอุเบกขาก็คือการปล่อยวางของใจ ใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราปวดมาขนาดนี้นะคะเช่นเพื่อนเราปวดเป็นปวดอางไรคะเหมือนกันเหมือนกันก็เดียวกันอย่างเดียวกันถ้าเราทําใจเฉยๆต่อไปถึงแม้ความเจ็บปวดทางร่างกายไม่หายไปแต่มันจะไม่มากระทบกับใจเราใจเรารู้มันเจ็บแต่แต่มันไม่มาเจ็บที่ใจ เพราะว่าใจไม่ไ ม, ไม่ไม่ปอยากให้มันหายพออยากปั๊บนี่มันจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วยิ่งไม่หายยิ่งทุกข์ใจอ่ะยิ่งจะถึงทนไม่ได้เลยถึงกับอยากจะตายบางคนบางคนถึงเวลาไปเจอเจอโรคภายแค่เจ็บแบบที่มันเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาและทำใจให้เป็นอุเบกขาไม่ได้นี่ก็อยากจะตายบางทีเรียนทุกวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องการที่คนก็เมื่อถึง ถึงขั้นสุดท้ายของโรกแล้วเขาเขาอยากจะตายนี่ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกทางด้านจิตใจมาถ้าเขาฝึกทางด้านจิตใจมานี่ใจของเขจะไม่ได้ปวดไข้เลยไม่ได้ป่วดเพียงครึ่งเดียวหรือป่วยเพียงเสี้ยวเดียวคือหนึ่งส่วนแค่นั่นเองแต่สิบส่วนคือใจนี่จะไม่ได้ปวดเลยเมื่อเสิบส่วนไม่ปวดปวดเพียงเพียงนิดเดียวคือกายนี้มันก็เลยทําให้สามารถอยู่อย่างปกติได้อยู่ไปจนกระทั่งถึงลมหายใจสุดท้ายได้ นี่คือผลที่เกิดจากการได้ฝึกจิตมปล่อยวางปล่อยวางเวทนาได้ทําได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านท่านท่านไม่ต้องมีโรงพยาบาลเยท่านไม่ต้องมีหมอมีก็ตามอัตภาพเลยหมออาศัยแบบหมอสมุนไพรมียาอะไรกินก็กินไปหายก็หายไปยไม่หายก็จบใจไม่มีความกมังวลวุ่นวายกับมัน เพรจไม่ได้เป็นอะไรไปทำร่างกายมีปัญญาเห็นแล้วว่าใจไม่ได้เป็นอะไรแต่ผู้ที่วุ่นวายที่สุดก็คือใจเหมือนเราไปวุ่นวายกับความเป็นความตายของคนอื่น ท, ทั้งที่เราไม่ได้เป็นอะไรด้วยเลยทําอะไรต้องไปวุ่นวายาทำไมเกิดประโยชน์อะไรดี้ไม่ดีจะทําให้เราเจ็บคข้ได้ป่วยไปด้วยถ้าเครียดมากๆทุกข์มากๆต่อไปมันก็ไปกระทบกับการทํางานของร่างกาย ก็มีรูปเกิดขึ้นมากับเราแต่ถ้าอยากจะทุกด้วยก็ไม่มีใครห้ามนะเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่อยากจะทุกก็ทุกไปที่นิจนเชื่อนี่เป็นสิ่งที่เกิดไม่ได้เลยแล้วคะ มัทกับุกอยู่ก้อนหนึ่งถ้าช่วยกันแบ่งก็ยังไม่ยอมโง่ยศอาจารย์คะอย่างน้อยเป็นเป็นความสุขลึกๆที่เราได้กระทำาคะที่เราได้ตอบตอบสนองหรือเราได้ตอบแทนคือแบ่งปันความทุกข์ของเขาได้เช่นเขาเดือดร้อนทางร่างกายเราช่วยเหลือได้ เขาไม่มียารักษาโรคเราก็หายามาให้เขาอย่างนี้ได้อยู่แต่จะไปแบ่งความทุกข์ทางใจมาไม่ได้แบ่งได้แต่ทางกายเท่านั้นเองเข้าใจไหม <c oughs> แต่สอนธรรมะเขาได้แล้วสามารถทำให้เขาดับความทุกข์ของเขาเองได้เช่นพระพุทธเจ้าไปโปรดพระราชาชิดาเจ็ดวันก่อนจะสวรรคตก็สอนจนบรรู้เป็นพระอระหารได้ รับทุกในใจได้เหมดเลยเจ็ดวันก่อนตายอย่างนั้นได้อยู่ถ้าถ้าแบ่งปันความทุกข์ต้องแบ่งแบบนั้นแบ่งด้วยธรรมะสอนให้เขาปล่อยวางจะตายก็ตายไปเถิดอย่าไปเสียดายร่างกายนี้มันต้องตายด้วยกันทุกคนยิ่งยืดยิ่งติดยิ่งทุกข์นะจริ ง, รงของเรานี่ถ้าเราเสียดายอะไรเนี่ยใครมาแล้ว เ, เราต้องคืนเข้าไปเนี่ยเขามายึดเนี่ยเราเสียดายโอ้โ oh, ห oh, มันกินไม่ได้นอนไม่หล่บแต่พอโปงว่าเอาไปเถิดของไม่ใช่ของเรานะ มันโล่งอกมันสบายใจเลยคืออาจจะเป็นเพราว่าดิฉันคิดว่าดิฉันมีบุญทางด้านนี้นอเนี่ยนะคือดิฉันมีลูกน้องเนี่ยที่เขาทาความเสียหายเรื่อยๆดิฉันก็ปล่อยวางไม่ได้ก็จะต้องสอนพาวฝึกเขาแต่ก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่เหมือนพื้นฐานของพนักงานหลายๆคนหล่อนเนี่ย คื อ, คอเราเหมือนกับเป็นอะไรที่เราเป็นบัวอะไรที่เราคือการปล่อยวางนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้สอนเขาไม่ให้เกือนเขาหมายความว่าปล่อยวางทางใจอย่าไปทุกข์กับเขาเขนะ้าใจไหมเขาทําอะไรผิดแล้วอย่าไปหมุดหงิดลาคาญใจโมโหโทโ่เสวนี่คือหมายความ่าให้ปล่อยวางทางด้านอารมณ์ทางใจแต่ทางการตัเกเตือนว่ากล่าวสั่งสอนเพื่อให้แก้ไขให้เขาได้ทําให้ถึงที่ต้องทําปตามหน้าที่ถ้าทําได้ถ้าเขาเชื่อฟังก็ทํา ถ้าพูดไปแล้วเหมือนกับหูทวน ล, ลมนี่ก็อย่าไปเสียเวลาพูดให้มันเสียเวลาเทานั้นเองแต่อย่าไปมีที่ปล่อยวางนี่หมายถึงให้ปล่อยวางทางอารมณ์จิตใจของเราอย่าไปวุ่นวายกระสรับกระส่ายกับเรื่องของคนอื่นแต่เพราะมันเป็นโทษกับตัวเราเวลาเรากระสับกระส่ายกับเวลาเราสบายใจนี่มันต่างกันเข้าใจไหม พยายามค่ะก็องใสต้องมาด้วยนะคะ้ก็ตามคุณแดงเข้ามาเข้ามาด้วไม่ก็ไม่ก็ไม่สมวังนี่กรสิทิ์ไม่ใช่ใต้องไม่เลยครับใครสนใจก็ถ้ามาแล้วติดใจก็จะมาคุณแดงก็ได้เดี๋ยวมีสีคันรถแล้วใช่ไหมพี่แดง บางครั้งก็ต้องนั่งข้างนอกอ่ะนั่งข้างปูเสืออาจารย์คาบว่าคือเทาที่ฟังมาเนี่ยจะมีบางคนแบบว่ามีฤทธิ์สามารถช่วยเหลือคนที่ป่วยให้บรรเทาระาบางไปได้ด้วยวิธีอะไรต้องไตามนะคะอันนี้ก็คงหมายว่ามันจะมีมันจะมีโอกาสที่จะมีการช่วยเหลือแบบนี้ให้ไหมคะถ้าพูดตามพลังจิตนี่มัน มันต้องของใครของมันฉะนนถ้าใครมีพลังจิตนี่ก็ใช้พลังจิตนี่เป็นธรรมะโอสถได้ในระดับหนึ่งถ้าเป็นโรคที่มันเกี่ยวข้องกับทางจิตใจแต่ถ้าเป็นโรคที่มันเกี่ยวกับอย่างอื่นบางทีพลังจิตก็ช่วยไม่ได้ท่านเอ๋อสาวพรสงฆของพระพุทธเจ้านี่มีองค์ไหนบ้างไหมครับที่มีพลังลักษณะฉนองนี้ที่มีประวัติว่าเคยช่วยเหลือผู้คนที่น่าจะปว่วย ม่น่าจะมีนะเพราะว่าท่านไม่นิยมรักษาการเจ็บปวดทางร่างกายท่านจะรักษาเยงทางด้านจิตใจผมมีความเข้าใจว่าถ้าเปวดแบบที่จะหายก็คือเจ้าตัวเขาเองอะฮะได้เริ่มรู้สึกทําจิตทาใจใไม่ได้เป็นผลมาจากผู้อื่นที่ทําให้ถ้าถ้าโรคที่เกิดขึ้นนันเป็นผลจากความเครียดของใจอย่างนี้คือความกังวลความห่วงความยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วทาให้ร่างกาย ไม่สามารถดำเนินไปตามปกติได้ก็เจ็บข้ายได้ปวดขึ้นมาพอได้ระงับดับความเครียดความกังวลในใจได้โรคทางกายก็หายไปได้เอออย่างยกยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีพระอาจารย์เคยสอนให้สวดมนต์เวลามีความทุกข์นะครับไม่ว่าทางกายใจก็บมั่นพุทโวนาสวดคุณไว้ให้มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ก็น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทําสมาธิเี่ยช่วยเรื่องเกี่บวกัความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นแล้วร่างกายอาจจะเกิดขึ้นจากความทุกข์ทางใจที่เกิดก็ได้นะครับใช่บางทีมันป้อนกันพอเกิดความทุกข์ทางร่างกายหน่อยความเจ็บไข้ได้ปัวหน่อยจิตใจก็วุ่นวายกระสอบกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เลยไปป้อนความเจ็บป่วยทางกายให้มีมากขึ้นเบาความเจ็บป่วยทางกายมากขึ้นก็ไปป้อนความทุกข์ทางใจให้มากขึ้นไป มันก็เลยเป็นวงจรส่งเสริมให้โรคนี้มันกำเริบเลยเถิดไปแต่ถ้าถ้าใจนี้สงบไม่กังวลกับร่างกายวงจรนั้นก็ถูกตัดขาดไปร่างกายก็จะมีโอกาสรักษาตั ว, ตวมันเองเพราะโดยธรรมชาติที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันอยู่เพียงแต่ว่าต้องอาศัยเวลาสร้างมันขึ้นมาในขณะที่กำลังถูกภยัยภายนอกเข้ามา รับม า, ม า, ม า, มาทาําลนมันก็จะสร้างภูมิพุ่มการขึ้นมาเฉพอมันมีโอกาสสร้างภูมภูมิคุ่มการขึ้นมาแล้วไม่กี่วันโลกก็หายได้ถ้าการส่วนวนก็เป็นวิธีทําสมาธิอย่างนีเป็นก<ร>ารตัดของุงจรภูิบาทที่จะทํ า, าทททให้ป้อนความทุกข์ให้ทั้งสองฝ่ายให้มีมากขึ้นไปและบางโลกบางโลกบางถึงพอเราทําจิตใจใหสหงบแล้ว วันสวันมันก็หายของมันเองได้เดี๋ยวที่ไม่ต้องรับประทานยาก็ mm hmm. าร่างกายนี้มันก็มียาอยู่ในตัวของมัน mm hmm. อาหารที่เรารับประทานเข้าไปท้กวันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นยาอยู่แล้วหรือ mm hmm. บางทีเป็นให้เวลากับร่างกายมันขับพิษร้ายออกจากร่างกายแล้วบางทีเราเอาพิษร้ายเข้าไปโดยไม่รู้สตัวอาหารที่เรารับประทานบางทีก็เป็นพิษเป็นพันแล้วมันสะสมอยู่ในร่างกายทําให้เกิด เป็นโรคภายขึ้นมาได้ถ้าเราปล่อยให้เวลาเจ็บคไายได้ตัวเราก็ระงับจิตใจของเราอย่าไปกระสับกระซาดทําจิตใจให้เป็นปกติร่างกายจะได้สามารถทํางานของเขาได้ปกติทําหน้าที่ของเขาได้ปกติแล้วไม่งานเดี๋ยวเขาก็ฟื้นขึ้นขึ้นมาเองได้คําถามมีไหยครับ ่ต่ก็ได้ตอนนี้รู้สึกบางครั้งเนี่ยจะรู้สึกตับสมกับโลกที่ไม่ใช่โลกมนุษย์เลยค่ะคือจะมีอะไรละ่ะผู้ผู้มีงานมะไรสักอย่างหนึ่งบอกว่าสามารถติดต่ อ, อ ก, กับท่นู้นทนนี้ได้อะไรเงี้ยหรือว่าที่เราอยู่เนี่ยมันจะจะมีเทพหลายองค์ ที่ทําอะไรคะที่ที่อาศัยอยู่เทพเทพหลายที่อาศัยอยู่แล้วก็จะมีที่ที่มีส่วนแบบมนุษยเช่นอาจารย์อะไรอาจารย์ท <t weiß enough> <t> <t> ี่มีอปฏิหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกถือเรื่องพวกนี้บ้างไหมครัก็ฟังหูไว้หูก่อนแล้วกันถ้าเรายังไม่เห็นกับตาพิสูจน์กับตัวเราเองก็อย่าไป หมกมุ่นกับมันมากจนเกินไปว่ามันเป็นทั้งข่าวข่าวลือข่าวลวงข่าวล่อข่าวหลอกได้แล้วก็มันก็ไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาที่แท้จริงของเราได้ก็คือความโง่เขลาบบาปัญญาที่ทาให้เราต้องสร้างความทุกข์สร้างความสับสนให้กับตัวเราขอให้เราศึกษาพระธารมคำสอนแล้วปฏิบัติแล้วปัญหาต่างๆที่พูดมาถึงนี้จะไม่เป็นปัญหาหต่อไป ไ ม, ไ, มไม่ได้เป็น ไ, ไ, ได้ตัวเองอะค่ะเป็นคนคนทั้งคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะไปหาตาจยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วกรณีที่เราไปห้ามหรือเราไปไปพูดอะไรที่เตือนแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ควรไหมมันเหมือนจะเป็นการไปวบหลูเขาโดยให้เห็ุหรือเปล่าคือถ้าเตือนแล้วมันเกิดประโยชน์คือเขาฟังก็ก็เตือนได้ถ้า แต่อแล้วเกิดโทษเขากลับเกลียดเราก็อย่าไปเตือนค ge ือเราต้องเดียนผลที่เราของการกระทําของเราว่าทำแล้วเกิด hmm คุณหรือเกิดโทษต้องทาแล้วเกิดโทษก็อย่าไปทําดีกว่าคําถามอีกไหมครับเจ้ากระเตนนี่ยจะถามคุณพ่อว่าไงเหรอมันน้อยหรืจะถามคำถามคุณพ่อไหมคะ ถามได้ลูกคาฉานถามไม่ลู ก, ชาชาลกท้าไปพี่ไม่ค่อยไปวัดคะ่ะพี่เขาเองทำไมไม่ไปวัดคะ่ะเพราะที่ก็อาจจะไม่ได้ทําบุญมามากเหมือนหนูเึงไม่ชอบทาบุญต่อคนที่เคยทําบุญมามากจะชอบทําบุญเพิ่มขึ้นคนที่ทําบุญมาน้อยก็จะไม่ค่อยชอบทาบุญคือเราเคยชอบทําอะไรเราก็จะทําอย่างนั้นถ้าเราชอบเที่ยวชอบเล่นเราก็จะติดนิสัยชอบเที่ยวชอบเล่น ถ้าเราชอบเรียนหนังสือเราก็จะติดที่สายในหนังสือมันเป็นการสะสมมาในแต่ตละภพแต่ละชาติ<ม><ม>ความชอบของคนเราจึงไม่เหมือนกันทั้งๆที่เป็นลูกของพ่อแม่คนเดียวกันเพราะความชอบความชังนี้มันติดมากับใจไม่ได้มากับกายกายของพ่อแม่นี้เป็นเพียงแต่ภาชนะเท่านั้นเองแต่ใจนี้เป็นตัวที่นีที่เอาทุกสิ่งทุกอย่างติดตัวมา ความชอบความไม่ชอบความฉลาดความโง่ความดีความชื่อนี่มันติดมากับใจท่นถึงบอกว่าทำบุญแล้วไม่สูญหายไปไหนเพราะมันกลายเป็นนิสัยไปมันทาให้เป็นนิสซซัยที่ชอบทำบุญและผลของบุญก็ติดอยู่ในใจก็คือความสุขความอิ่นอบใจเข้ า, าขใจอ่ะพอท่านพูดอย่างนี้แต่ก็รับทราบได้นะว่า มีมีมีคนเยอะเลยนะที่เชื่อว่า เ, เวลาที่มีใครทําบุญทำกุศลใดๆนะฮะก็จะอนุโมทนาร่วมด้วยเสมอนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ได้สละทรัพย์หรืออะไรเนะะี่ยคะบุญของใครเนี่ยจะจะจะถือว่าได้สะสมไว้มากกว่ากันค่ะ มาถึงเวลาทําบุญคนนึงคนหนึงเสียเงินแต่อนุโมทนก็จะได้บุญด้วยมันเป็นบุญคนละอย่างไงมันเป็นถ้าเป็นบัญชีก็สองบัญชีคนละบัญชีกันบุญที่ได้จากการให้ทางก็คือเป็นบัญชีหนึ่งบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาก็เป็นบัญชีหนึ่งมีอันนี้สองต่างกัน คนที่เสียเงินก็เท่ากับเอางเงินไปฝากไว้ในธนาคารชาติหน้าไปเกิดก็จะมีเงินนี่รอเราอยู่แต่คนที่อนุโมทนาไปก่อนชาตหน้า <c oughs> ก็จะไม่มีเงินรอเขาอยู่เพียงแต่เขาก็ไม่เดือดเขาก็เพียงแต่มีความสุขใจที่เราเหเขาเห็นคนอื่นได้ทำความดีแล้วเขาร่วมยินดีไปด้วยอย่างนันก็ได้ในส่วนนั้นแต่ไม่ได้ไม่ได้ผลจากเงินทองเพราะเขาไม่ได้เสียเงินทองบอยจาค ทำดีนะคำถี้ดีไหมล่ะบูตะไรน้อยหน่อยไม่เยอเจอกว่าจะเจอทำไมต้องถามพระจ้แสดงบุญนี่มีอยู่สุบบัญชีด้วยกันบุญที่เกิดจากการให้ทานเ่ยบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญที่เกิดจากการอุทิศตนบุญสนุกสนบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่น บุญที่เกิดจากการมีความ อ, อ่อนน้อมถ่อมตนบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมและบุญที่เกิดจากการให้ธรรมให้ทะให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเนี่ยนี่เป็นบุญทั้งนั้นแต่อันนิสงมันต่างกันมันคนละบัญชีกัน เหมือนมันบัญชีข้าวบัญชีนะบัญชีผักอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างสามีทําบุญแล้วก็เพียงให้ไม่ได้ไม่อไม่ได้นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าสามีภรรยานี่ก็ต้องถือว่าเป็นสมบัติของกันและกันถ้าสามีทาแล้ว ภรรยาด้วยมรณาด้วยภรรยาก็จะได้เท่ากันเพราะเป็นเงินของภรรยาไม่ไม่ไม่ได้เงินเลยเพราะเป็นเพราะเป็นเงินของเราเราจะมรณาคือเราไม่ขัดขวางไงเรายินดีเราร่วมด้วยเพราะเป็นเงินของเราไม่ขัดขวาง แต่ถ้าเรากัดขวางบอกเอาไปทำทำไมเสียดายอย่างเงี้ยยมจะไม่ได้เจอเจอท่านได้เยอะอยู่ได้ไม่ขัดขวางอ่ะไม่ขัดขวางแต่บางทีบ่นไม่ได้บ่นแล้วพี่พี่บนเนี่ยที่สัมภากณ์ไคนเดียวอ่ะ มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นการแบบเป็นการมด้บุญแบบไหนนะคะถ้าบอยจากต้องขณะที่มีชีวิตอยู่เึงจะได้บุญเช่นสบายแล้ ว, <c oughs> ลวเหมือนก็ <c oughs> เหมือนเขาไม่ใช่เป็นของเราแล้ว ไม่ได้บนนะไม่ถึงว่าเราเกาะตอนที่เรามีชีวิตด้วยค่ะเนี่ยตอนเช่นเชเราจะมีจับดวงตาเพื่อให้เขามองเห็นอเงี้ยใช่ต้องบริจาคตอนนี้เรามีชีวิตอยู่สิให้เขาคลั่งดวงตาไปเลยเราแน่นอนถือว่าบริจาคจิงถ้ามันไม่กระเทือนที่ใจเราแสดงว่ามันไม่ได้บริจาคพราเราตายไปแล้วถือว่าใจไม่เราไม่ได้เป็นของเราแล้วใจเราไม่ได้ไปยึดติดกับมันแล้ว อาแต่การตั้งใจของของเขาเนี่ยจะได้อันนี้2องอะไรไหมครับก็จะได้มากแต่มันไม่ได้มากเราไม่ได้มากเหมือนกับเงินที่ขโมยไปแล้วก็อ่ะก็มันขโมยไปแล้วก็ให้เหมือนไปก็อย่างน้อยก็ไม่ทุกข์ใจไม่เสียใจเมือนเวลาเราตายไปแล้วร่างกายของเราใครจะกระทาอะไรใจ ุ่จจั ย, ยหรือเรือร่องเรียกวิญญาณของเราก็จะไป อ, อย่างสงบไม่มากังวลว่าเอ๊ะเขาจะเอาร่างกายเราไปฝังหรื อ, รอเอาไปเผาหรือเอาไปทําอะไรไปทําตามคําสั่งของเราหรือป่าเทานั้นเองมันก็จะไม่มันก็ไม่วุ่นวายใจแต่มไม่ได้ทานเพราะว่าเราไม่ได้ให้เราต้องให้ในขณะที่เป็นของเราเลยตอนที่เราตายนี่เราถือว่าไม่ใช่เป็นของเราแนละ้ว เป็นของสับตลเอ๋ยไล้ให้ตอนที่เรามีชีวิตเียไม่ได้ให้ตอนนั้นใช่ให้แต่บาทนั่นเป็นเจตนาเทาฉั้นเองไม่ใช่ไม่ได้ให้เป็นเจตนาเหมือนกับว่าเหมือนก็บอกว่าถ้าฉันตายไปแล้วเงินที่ฉันมีอยู่นี่คุณเอาไปเถอะแต่ตอนที่ฉันอยู่นี่อย่าเพิ่งเอาไปอาจารย์ให้อย่างนี้คนที่เป็นอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายก็ไม่ได้อนิสงส์อะไรเลยนะก็ได้ทางได้วิทยาทาน แต่ความจริงก็ไม่ได้เพราะว่าใจไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้ประทับแต่แต่ร่างกายนี้มันยังเป็นประโยชน์อยู่เท่านั้นเองแต่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของคนที่ให้เพราะเขาไม่ได้ให้แต่ก็ให้ต้องเขาให้ต้องให้ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เช่นบางคนนี่บริจาคทราเพื่อให้พาที่เป็นพี่น้องกันแล้วเขาต้องการไ่เพื่อให้พี่ให้น้องได้อยู่เขาก็ยินดีที่จะบริจาคและแม้กระทั่งตาบางคนก็อาจจะาอะ อยากจะให้ไม่ให้ตาบอดก็แบนตาไปคนๆละคืออย่างนี้เป็นการให้ที่แท้จริงคือเราต้องดูที่จิตใจของเราเป็นหลักถ้ามันกระเทือนจิตใจเรามากเล่าไแสดงว่าได้บุญมากเท่านั้นถ้าถ้ามันสะเทือนจิตใจน้อยเนี่ยมันได้น้อยเพราะการให้นี่เพื่อเป็นการตัดอุปทานไงการยึดติดในสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่เช่นคนสองคนเนี่บราจาคเงินจํานวนเท่ากันสมุดด้านอย่างนี้ แต่ความรู้สึกอาจจะต่างกันเพราะคนหนึ่งนี่เขามีร้อยล้านเขาบริจาคล้านหนึ่งอีกคนหนึ่งมีสองล้านเขาบริจาคล้านหนึ่งความรู้สึกของจิตใจของแตคนมันต่างกันบุญมันึงต่างกันตรงนั้นถามว่าใครได้บุญมากกว่าคนที่มีสองล้านเนี่ยจะได้มากกว่าเพราะเขากล้าตัดมากกว่าคนที่มีร0อยล้าน คนญาตถามต่อนะคะ <c oughs> ว่า ม, มันเหมือนกับว่ามันเป็นการเสียดเดียนตัวเองอย่างหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าคือคือเหมือนมีเส้นแบ่งอะไรก็ตามะระหว่างว่าเราเราให้คือเคยได้รับคําสอนว่าการการให้นี่มันก็คือจะต้องลักษณะที่แบบพอประมาณพอสมควรก็คือว่าจะต้องไม่ถึงขนาดเสียดเดียนตัวเองอันนี้ก็เส้นแบ่งไม่ทราบว่าคือการให้นี่มี2ระดั บ, ระ ด, บระดับพุทธชนกับระดับโพธิสัตว์แล้วระดับโพธิสัตว์นี้ท่านให้ได้แต่ชีวิต ท, ท่านก็สลับได้ แต่าา ช, ตชีวิตเพื่อรักษาธรรมควาดีงามเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้สละทรัพย์เพื่อรักษาวิญญาสละอวิญญาเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเช่นสมมติว่าเขาเราเขาจับเราไปแล้วเขาจะฆ่าเราแต่เขาบอกว่าเขาจะให้ชีวิตเราแต่เราต้องไปฆ่าคนนั้นก่อนเนี่ยแต่เราบอกว่าเราไม่เราไม่ทำคุณฆ่าเราดีกว่า อย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นการเดเดี่ยนตัวเังเป็นการเลือกระหว่างการที่จะอยู่โดยฆ่าผู้อื่นแร้วว่ายอมตายเพื่อที่ไม่ฆ่าผู้อื่นเพื่อรักษาธรรมะคือศีลธรรมคนที่ยอมตายรักษาศีลธรรมตายไปก็ได้กลับมาเกิดมนุษย์หรือ ไ, ได้เป็นเทพเป็นพรหมหรือเป็นพระอริยเจ้าได้แต่คนที่อยู่รอบฆ่าผู้อื่นแล้ว ไ, ได้อยู่เนี่ยตายไปก็ต้องไปเป็นเดราาัจฉานอต้องไปตกนรก ผลมันต่างกันตองที่เราเวลาที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเข้มนะมีใครมีคำถามหรือเปล่าผมควรเก็บเวลาหนระนะือเปล่ะมาถวายตั้งใจนะับ ผมและปัญญาค ร, รับร่วมกันนะถือได้แ่นอนต้วายเองเลยอดวายเอง้ตวายเองเลยถือได้ตเอย้งางไวงอไงวายเออายเต้องาองยถางเล้งวด้ยล้วครับงา วันนี้พี่เคลียอะไรนะแวนี่เหรได้เป็นดูาเรื่ออะไถามได้กันดีถามได้ดีเกี่ยวกับถามมแล้ว ตันนี้หนูเข้าใจอย่างทำไมหนูถึงมาวันแล้วพี่ไม่มาต้องใส่รู้ใส่รู้่ใหมมาแต่ยิ่งดีเท่านีหนูต้องทำบุญมากๆนะหนูต้องหัดทำบุญไว้มากๆนะ ร้านที่มีการสวยมากดีค่ะร้าี่มีรมีรร์ดสวรรดทั้งบุญมาเยอะสี่โลกสี่โลกันนี้คุณดงพาไปพาไปีแหงัครท่าอาจรจันทรฮะทานอาจารรแล้วก็ท่าอาจารย์นัวัดนาจันทร์ใวัดบางใหญ่นะในหลายวัดสี่วัดอยู่วัดบเมื่อคืนก็ได้ขวัาคันอ๋อด้วยครับตัมครับตามที่วัดนาจันรได้ครับื่คน ท่านากใจก็สงบดีใหมครับดีก็ดีครับแล้งธเหมือนเหมือนกันนคล้ายกันเก็ตายเหที่เดียวกันครับทีว่าก็บายต่างกันเนี่บายต่างกันก็ดีได้ฟังหลายๆรูปแบบแล้วเปลี่ยนเพ่ come rispondere quindi questo è il หนังสือชุดนี้มีน้อยเป็นลยไรให้เป็นของชมรมไปแบงค์ยืมกันเอาจจให้สองชุดส่วนแผ่นซีดีพวกนี้ก็เอาไปร้ายกันได้มีมีอยู่แผ่นหนึ่งเป็นประวัติวัดยา น, นี่จะเป็น VCD เป็นวิดีโอเป็นภาพประวัติความตปนมาของวัดเพิ่งทำมาประมาณ20่ปีแล้วเป็นเป็นเป็นภาพเก่าแต่ก็มัน คือกูจำนานนี่เขาก็มีเป็นศรัทธาสูงมากเขาทุกวันพระเขาจะเดินรับบริจาคจากคนแบงชาติรอบธนาคารนะฮะเราก็ได้ปัจจัยมาถวายอาจารย์ของได้ตอนนี้ก็เรียกว่าได้บุญจากการรับใช้ผู้อื่นเรียนบุญคนละบัญชีกันครับแต่ถ้าเราทําด้วยเราก็ได้สองบัญชีทําด้วยเําเป็นตัวตั้งเราเป็นตัวตั้งแล้วทุกคนจะร่วม มันชีนี่แยกกันก็แต่งงานแล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถือสาว่าเวลาจะจ่ายอะไรนี่ไม่เกี่ยงกันไม่เหมือนบางคนเ็าเกี่ยงอันนี้ไม่มีการเกี่ยงอันนี้เนี่ยเพื่อนเขาปากมาคุณรัฐวันที่แบงคชาต เขาเคยมากับท่านอาจารย์อยู่กับกลุ่มทางพี่แดงนะคะพอดีพี่เคยเขาไม่ค่อยสบายเขาบอกว่าไม่สบายไม่สบายด้วยนะคะตามชื่อนี้นะคะแล้วก็อันนี้เขาตปรัดใจมาถวายนะคะหมดแล้วครับหมดแล้วทำเงี้ยประกาศที่ได้เท่าไหร่ที่แรกนโมธนาหนึ่งหมื่นแปดพันและสองบัญด้วยหนึ่งหมื่นันสี่ล้านหกแสจะให้ใจให้คน ญาติวาริวะฮาปุราปาริปุเรติสาคารังเอวเมวะเอโตทินังเตตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสิจะตสัพเอเรนตสังกาา จันททปนะระโสยถามนิโชตระโสยถาสัพพีติวิวัจฉันโุสัพพะรุโควินาสตุมาเตภวตวันตารายุสุขิธีคายโกภาอะภิวาทะสีฤิษะนิจังวิทาปจายโนจัตตารุธรรมวทานติ อายวันเสุขังาลายสาธิขันธ์หยึดมั่วเย็นมั่งในที่ศักดิ์ไม่เจริญในธรรมยินยิ่งขึ้นไปขอบพระคุณพระหมู่คณะก็จะมาวันอาทิตย์หน้าครับใช่ เลงเดี๋ยวใช่ทั้งหมดเลยต่ากนทั้งหครับนมชันั้นชันมัน่างทอยูนนเขา้เหรอครับใช่บนเินเขาีก็เดี๋ยวนี้พักแช่วงทำงานตอนเย็นก็เดนแรงตรงน้อันอันนี้ของชมรมครับแต่อันนี้ได้ตรงนี้นะครับที่ที่ได้รับการรมบามัากบี่ ไม่ว่าเขาต้องมีอะไรก็มีได้ตัด่งนี่เดี๋ยวงชมรมนะเราไปขึ้นแล้วก็ยังมีอะไรอีกเอ่อก็อันที่ถือมพี่เ ที่เด็กเล่นกลางวันก็สมัยก่อนเนี่ยที่มีให้ลูกเล่นดูสีเล่นสีสันชวนจะมีเทวดามีการตอนที่ต่างประเทศแยกเอยเหมือนหลายรูปหลายองค์เป็นเรื่องปกติเเป็นปกติสำหรับท่านที่สามารถผิดต่อกับเทวดาได้ต่อได้ที่ไม่สามารถจับต้องได้ก็จะไม่มีเพราะมันเป็นเรื่องของพลังจิด